ที่โนเวตั้งศูนย์เผยแพร่ลแล้วยังวะอยากจะทำแต่ยังไม่มีโอกาสาา์าอ่ น, นะอ่า อ, อ่าดีดีอ่าก็อย่างที่ที่เนเธอร์แลนด์เขาก็เาก็กำลังกาลังจัดทำเนาะอ่าแล้วก็ที่สวีเดนก็ มีพระเยอะที่นั่นก็เย็นนี้เขาก็รอฟังกันอยู่สองที่เมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายจากอ า, อาจารย์นลงชัยที่สวีเดนท่นก็โทรม า, ามความคลิปหน้าอะไรแต่ไรแล้วก็เสาร์นี้ท่านจะอยู่ฟังด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์เอ ก, กพลจากที่สวีเดนอีกเมืองหนึ่งนะก็จัดปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ อาจจะรอตอบคําถามในค่ำวันเสาร์ด้วยเช่นกันอมีอา่ไม่เป็นไรเป็นไรเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆขยับไปเอาหนังสือไปเป็นที่เผยแพ่ก่อนก็ได้หนังสือซีดีไปคอยแจกที่นั่นนะ อาจารย์ที่สวีเดนท่านรอคำตอบในเสาร์ค่ำวันนี้ที่วัดดอลน่าวนารามก็ก็เขียนมาบอกว่ า, าเรียนท่านอาจารย์กริินัปถื อ, อยิ่งหลังจากจัดศึกษาและปฏิบัติตาม ปฏิบัติรมตามแนวพุทธวจนะครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงสองธันวาคม2555ที่ผ่านมางานเป็นไปด้วยดีและมีผู้ให้ความสนใจอื่นๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆผมขอรวบรวม ป, ปัญหาและข้อคิดเห็นข้อเสนอตามกลุ่มดังนี้ข้อที่1ข้อคิดเห็นและข้อเสนอเขาบ อ, อ, อกหลังจากผมได้ไปพบและสนทนาเรื่องพุทธวจนะเป็นครั้งแรกกับ ท่านอาวุโสนลงชัยที่เมืองโคเทนเบิร์กเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนั้นผมมีความรู้สึกว่าได้พบทางลอดของพุทธศาสนาแล้ว <c oughs> ได้เจอของจริงของแท้แล้วมั่นใจทางนี้อย่างสุดจิตสุดใจจึงได้ตอบตกลงกับท่านอย่างไม่ลังเลสงสัยเลยที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธวจนะจึงได้จัดปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก นี่ท่านเจ้าว่าท่านท่านพูดนะและมุ่งมั่นที่จะช่วยเผยแผ่พุทธวจนะให้สุดความสามารถที่จะทำได้และขอเข้าเป็นนักเรียนผู้เริ่มต้นศึกษาใหม่อีกคนหนึ่งท่านบอกว่าผมเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่ท่านอาจารย์กำลังทำอยู่ขณะ น, นี้อาจยากและมีผู้ต้านทานคัดง้างโดยเฉพาะในหมู่พระสงฆ์ไทยด้วยกันจึงขออนุโมทนา และเป็นกำลังใจให้ท่านพระอาจารย์ที่ได้นำแสงสว่างและทางลอดของพระพุทธศาสนาอันจะทําให้พุทธศาสนาเนื้อแท้ได้รับการสืบทอดตราบชั่วกรลาานและขอบิณฑบาตพระเถระผู้ปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับชั้นครูบาอาจารย์สายต่างๆอย่าได้คัดง้างพุทธวจนะคําสอนเนื้อแท้ของพระศาสดาเลยควรหันมาศึกษาและทําความเข้าใจให้ถูกต้อง และควรทำความนอบน้อมเคารพต่อพระศาสนาด้วยเสียงกล้าวพร้อมทั้งช่วยกันเผยแผ่มากกว่าที่จะสงสัยหรือคัดง้างพุทธวจนะท่านบอกว่าส่วนในทางสวีเดนผมมีข้อเสนอโครงการที่จะทำดังนี้ขอความเห็นต่อพระอาจารยนะ์ท่านก็มีโครงการมาว่าท่านจะ อ, อ่านพุทธวจนะเนี่ยภาคภาษาไทยด้วยตนเองเพื่อเรียนรู้ไปด้วยศึกษาไปด้วย พร้อมทั้งบันทึก 4D ดนะีแจกซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จัดโครงการอ่านพุทธวิชนาภาพภาษาอังกฤษแล้วก็จัดทีมแปลพุทธวิชชาเป็นภาษาสวิเดชอย่างนี้แล้วก็ท่านจะจัดตั้งให้วัดดอลล่านะดอลลาราวะวนารามเป็นศูนย์กลางหรื อ, อพุทธวิชนาสถาบันแห่งหนึ่งในยุโรป นะแล้วก็ประสานความร่วมมือกับผู้เรียนุูทธทุศนะจากประเทศฮอลอแลนด์เดนมาร์กและอังกฤษนะซึ่งก็ได้ทำไปบ้างแล้วตามสมควรก็ เ, เลยแจ้งมาให้ทราบแล้วก็มีคำถามจากผู้ใหม่และผู้เก่าที่ส่งคำถามมาเดี๋ยวก็จะตอบให้ในช่วงคํำวันเสารนะ์ก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ได้กำลังพระมาช่วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีพระจังขออนุญาตเรียนถามต่อจ่าเจ้าที่กองสื่อสารเมื่อวานเนี่ยนะฮะที่เด็กถามบอกว่าเราปฏิบัติหน้าที่เนี่ยฆ่าเขาตายเนี่ยนะครับว่าใครบาปมันยังไงก็บาปแน่นอนอยู่แล้วทีนี้ในหนังสือภพภูมิของเราเนี่ยมีบอกไห้ครับว่าเวลาเราตกนรกเนี่ย จะอยู่ชั้นไหนชั้นไหนแบบไปสวรรค์จะมีอยู่พระอาจารย์อธิบายแหล่งเที่ยวแล้วนะะเป็นขั้นๆเลยว่าชั้นจ่าตุชั้นดาวดึงเป็นยังไงเนี่ยแต่นรกมีไหมครัมีมีด้วยมีเหมือนกันนะแล้วทหารเราจะไปตกนรกชั้นอะไรพอพ่อได้ไหมครับจะมีผู้พิพากษามีทหารมีนักล้องมีมีหลายอาชีพเลยแต่เงื่อนมันมีเงื่อนอยู่นิดเดียวถ้าเป็นผู้มีสมาธิไม่เป็นไร ผู้มีสมาธิทิใช่ใช่ใช่เราะนั้นถ้าเป็นทิศิสัมปนาบุคคลนั้นเราก็กลับไปดูว่าสมาธิิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรอ่อ๋อครับครับนะในแง่ของสุดตรงของความเห็นสองข้างไม่เข้าไปอ๋อครับรู้จักมัชฌิมาปฏิปทาครับรู้จักกฤตสีพวกนี้มีสมาธิิอ๋อถ้ามีสมาธิิแล้วก็ใช่ไม่ตกนรกจะรอดได้ นั่นไม่ไม่ใช่แค่ว่าอาชีพนักร้องอย่างที่เขาบอกเนี่ยเป็นนักร้องจะไปอบายอะไรก็ไม่ใช่สำหรับบุคคลผู้มีสมาธิตรงนี้รอดได้เพราะนั้นหน้าที่เราก็คือเสร็คบคำของตถาคตให้มากมันจะแก้ได้ได้ใช่ใช่ผมเป็นเงื่อนที่น่าสนใจเพราะทหารก็จะถามแบบผมเนี่ยหลายคนคุยๆกันเนี่ยที่เราไปฆ่าเขา แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีสมาธิทิอย่างที่พระอาจารย์ว่าก็จะพ้นได้ใช่เพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวไงเราเคยฆ่ามาแล้วตลอดการยาวนานครับมันจะมานับแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้คใช่เอ๊ะแล้วทําไมมักแปดแก่ได้ใช่มครับทั้งที่โอ้โหในกี่แสนกี่ล้านชาติน่ะเราก็เคยทํากรรมทําผิดมาแล้วเยอะแยะมากมายครับออ่ายงี้ขอบคุณครับ ไฟออกวะเอ้เหมือนไม่เหมือนไม่ออกนะทานนหมดส่ ง, สงเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก็ได้อันนี้ใช้ได้นะกลับขอเข้ามาท่านอาจารย์ <c oughs> ในเรื่องแรกคือว่าได้มีการในช่วงที่ผ่านมาได้ศึกษาควัต จ, จนะแล้วก็ เ, เห็นประโยชน์และได้มีการ c o อปปี้ซีดีแจกให้กับคนข้างเตียงนะคะกับขอเข้ามาที่ไม่ได้ขอมาขออนุญาตไม่เป็นไรตามสบายเลยนะแล้วก็ได้เริ่มภายในบริษัทมีพนักงานประมาณ300ถึง400คนะแล้วก็เราได้เริ่มพูดคุยเรื่องของธรรมะและพุทธวจนะในช่วงกับพนักงานในช่วงหลังอาหารเที่ยงนะคะมีโครงการว่าในปีหน้านั้นเนี่ยจะมีการ ติดตั้งเป็นทีวี TV, แล้วก็ฉาย uh huh. สไลด์ r e s e n t a t i o n หรือว่า CD ดีเนี่ย uh huh. ในช่วงที่พนัก ง, งานพักเที่ยงแล้วก็เปรคให้พนัก ง, งานได้ศึกษาในระหว่าง uh huh. ที่เว้นช่วงที่ยังไม่ได้ uh huh. ไไดปฏิบัติงานเช้า uh huh. so, ค่ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีโอกาสได้ไป <c oughs> ได้ไปทำบุญที่เป็น วัดที่โคราชนะคะ อ, อยู่ในกลุ่มของหลวงพ่อพุธนะคะก็คือเ อ, เอาไปทำให้ทุนการศึกษากับเด็กแล้วก็แล้วก็ถวายอาหารไม่ใช่ถวายคือคื อ, คอให้ทานทำอาหารแจกเด็กๆนักเรียนนักศึกษาที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งในแต่ละปีนันเนี่ยจะมีการสอนเด็กๆช่วงวัยรุ่นเป็น เป็นหลักพันหลักหมื่นคน oh. นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่าให้เด็กๆฟัง mm hmm. คือได้รับเชิญให้ไปยืนพูดนะเจ้า oh. ค่ะ oh. ก็เลยก็เลยมีการ เ, เกริ่นถึงความยากในการเกิดเป็นมนุษย์ให uh huh. เ้เด็กๆได้ทราบแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้มีการไปคุยกับครูที่เป็นผู้สอนนะคะ oh. แจ้งกับทางครูว่าถ้ามาศึกษาทางด้าน ทวจะนะเวลาที่ไปสอนเด็กจะมีข้อคิดในการสอนได้ตรง uh huh. นะคะซึ่งตรงนี้เห็นว่าจะมีประโยชน์มากๆก็เลยบอกกับทางครูผู้สอนไปว่า uh huh. เดี๋ยวจะขออนุญาตส่งซีดีไปให้ uh huh. นะคะครูผู้สอนแจ้งว่าได้เคยลองศึกษา อ, อ, อ่านในหนังสือแล้วไม่เข้าใจ uh huh. ค่ะคือครูผู้สอนสำคัญมากๆ uh huh. เพราะ uh huh. ว่าสอนปีหนึ่งสอนเด็ก ปีนึงเป็นหมื่นคนเจ้า<ช>ค่ะคิดว่าถ้าเราได้ทำให้เขาเข้าใจใ<ช>แล้วเขาจะไปถ่ายทอดต่ อ, เ, อ, อเป็นกระบอกเสียงยให้กับเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาตินะคะก็เลยเออบอกกับทางครูผู้สอนไปว่าถ้าอ่านหนังสือไม่เข้าใจลองฟังซีดีก็จะส่งซีดีไปให้นะคะ เ, เพื่อที่จะให้ฟังได้ฟังคำขยายความได้ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะ ใช้ความรู้นั้นเนี่ยไปสอนเด็กๆต่อได้เจ้าค uh ่ะ huh. ทีนี้ uh huh. อันนี้คื อ, เ, อ, อเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่มาในวันนี้ก็คือว่ามีความสงสัยอยากจะขอ uh huh. กลับเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึง oh. เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุติบาท oh. ในช่วงต้นเจ้าค uh ่ะว่าช่วงต้น uh huh. คือช่วงที่ uh huh. ที่กล่าวว่าเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงทําให้มีสังขาร uh huh. พราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึง ทำให้เกิดมีวิญญาณ uh huh. แล้วเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงทาให้เกิดมีนามรูป <Yeah. S 2> ตรงนี้เนี่ยไม่เข้าใจว่าความหมายของสังขารคืออะไรแล้วนามรูปกับสังขารต่างกันอย่างไร uh huh. ต่างจากสังขารโดยที่เป็นคำแปลทั่วๆไปหรือไม่เจ้าค่ะอันนี้เรื่องที่สองเจ้าคะ่ะ uh huh. เรื่องที่สามคือว่าในปีหน้าลูกชายจะไปเรียนต่างประเทศเพิ uh huh. ่งอายุได้สิ ในปีนี้ปีหน้าอายุ18บแปดอยากจะขอธรรมะท่านอาจารย์ช่วยสอนลูกในแง่ว่าจะไปดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศตัวคนเดียวได้อย่างไรให้รอดพ้นจากอบายเจ้าค่ะคราบขอบพระคุณเจ้าก็ศึกษาพุทธวจนะนี่แหละนะเดี๋ยวจะเอาตัวรอดจากอบายได้แล้วก็จะมีหลักนะถ้าเราคิดจะอ่าน หนังสือในเวลาว่างหยิบพุทธวิชาขึ้นมามีเวลาว่างปุ๊บฟังซีดีฟังซ้ำๆมากๆเราจะได้ทราบได้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วผู้เจ้าเนี่ยสอนอะไรน ะ, ะและการฟังมากฟังบ่อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงธรรมะจะได้คำตอบในข้อสงสัยไปเองทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆ อ, ย อ, ยยอ่อันนี้อยู่ที่ที่เราต้องใช้อ่า ฉันท่าความพอใจนะใช้ความเพียรสักนิดหนึ่งนะนะแต่ที่สุดของของความเพียรตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมันจะมีผลมากนะมีอนุสงมากต่อเรานะก็หลักง่ายๆก็คือเอาจิตอยู่กับกายให้มากๆนะอยู่กับลหมหายใจเข้าออกอย่าให้จิตเนี่ยเปลี่ยนไปกับความคิดมาก ที่พระเจ้าสอนให้ละความเพลินนะพยายามละความเพลินเรื่อยๆจิตกําลังปรุงแต่งไปในเรื่องของอกุศลในต่างๆรีบวางรีบวางมีสติอยู่กับปัจจุบันนะความทุกข์จะค่อยๆดับไปดับไปนะเวลาเรามีความทุกข์กดถูใจเศร้าใจเสียใจเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามอยู่กับลมหายใจนะพระเจ้าให้พึ่งตนและพึ่งธรร ม, มานะการพึ่งตนพึ่งธรรมก็คือการมาเจริญ สติปัฏฐานสี่หรือจเจรณาปานาสตินี่แหละเรียกว่าพึ่งตนพึ่งทําแล้วแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจธรรมะไปเองทีเล็กทีน้อยตรงนี้เป็นที่พึ่งอย่างดีจะเป็นเนธให้เราเกิดปัญญาด้วยเป็นเนธให้เราเกิดสมาธิการเรียนเราก็จะดีคนจะมีปัญญาเนี่ยพระเจ้าบอกจะต้องละอกุศลออกจากจิต ขณะที่เราจเจริญอนาปาณะสิรู้ลมหายใจเข้าออกอกุศลมันจะดับไปจิตจะสงบขึ้นปัญญาจะเกิดจิตจะมีความตั้งมั่นมากขึ้นนะเราจะศึกษาอะไรเรียนอะไรมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนะจิตจะจดจ่ออยู่กับงานนั้นได้นานเหตุของคนที่เรียนไม่ดีเพราะส่วนใหญ่ฟุง้งซ่านนะจิตขาดสมาธินะก็จะขาดปัญญาไปด้วย ขาดความตั้งมั่นในการศึกษาเรียนรู้นั้นตรงนี้เราก็เดินตามที่ผู้เจ้าบอกเลยเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจเข้าออกดึงกลับมาบ่อยๆเวลาอ่านอ่านแต่พุทธวจนะอ่านแต่คำศาสดาเดี๋ยวก็เข้าใจเองอ่านซ้ำอ่านซ้ำฟังซ้าฟังซ้าไปเรื่อยๆหลักก็มีประมาณนี้เนา ะ, ะแล้วทุกอย่างจะดีเอง <c oughs> ส่วนปฏิจจสุบาทในช่วงต้นๆเนี่ยต้องลองไล่ย้อนขึ้นไปจากผัสสะเนี่ยผู้เจ้าบอกเพราะมีสลายยตนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะมันต้องเกิดมาจากสลายยตนาคืออายยตนาภายในหกภายนนอกหก มาบรรจบกันภัสสาะถึงจะมีขึ้นได้ตาต้องกระทบรูปแล้วมีวิญญาณทางตาเข้าไปรู้หูต้องกระทบเสียงแล้วมีวิญญาณทางหูเข้าไปรู้นะดังนั้นถ้ า, าในแต่ละอายตนะไม่มีวิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยอายตนะนั้นก็ไม่มีการรับรู้ขึ้นตาเห็นรูปอยู่แต่วิญญาณไม่เข้ามารู้ทางตา การเห็นก็เหมือนกับไม่ปรากฏเสียงก็ทบหูอยู่แต่ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรู้เสียงก็เหมือนไม่ปรากฏอย่างเวลาที่เรากําลังจ้องมองอะไรเพลินเหม่อเมือคนมาเรียกก็ไม่ได้ยินนะวิญญาณไม่เข้ามารับรู้ทางช่องทางหูแต่นั้นวิญญาณเนี่ยเป็นาธาตรู้เนี่ยที่จะวนไปในอายนะทุกส่วนเลยทุกช่องทางเลยเพราะนั้น ผัสสะจึงมีเหตุเกิดมาจากสลา ย, ยัตนะตัวสลา ย, ยนะัตนาหรืออายจตนาะภายในหกภายนอกหกเนี่ยมันเกิดมาจากนามลูกนามรูปคือตัวธาตุอย่างลูกตาหูจมูกเนี่ยมันก็เอามาจากธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยแหละปั้นขึ้นมาผลไม้มันก็มาจากล่างเนี่ยดูดซึมธาตุดินธาตุน้ำขึ้นไปสร้างเป็นผลไม้ใบแก่อ่อนใบแก่ขึ้นมาเหมือนกัน ตาหูเราก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพระศาสดาจึงบอกว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยานะทานี้ตัวนามรูปตัวธาตุเนี่ยมันก็จะรู้ไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรมารู้มันเพราะดินเนี่ยมันก็ไม่มีชีวิตจิตใจแล้วมันก็เป็นธาตุดินใบไม้ต้นไม้มันก็ไม่รู้เรื่องต้องมีวิญญาณเข้ามารู้พระเจ้าจึงบอกวิญญาณเป็นเหตุได้เกิดนามรูป นั้นถอยขึ้นไปจากผัสสะก็จะเป็นสลายญา น, นะเหตุเกิดของผัสสะคือสลายยา น, นะถอยขึ้นจากสลายยา น, นะเหตุเกิดของสลายยา น, นะก็คือตัวธาตุคือนามรูปเหตุเกิดของนามรูป ก, ก็คือวิญญาณวิญญาณเข้ามารู้นามรูปเราจึงรู้ว่ามีอะไรมีลูกตามีหูมีดินมีน้ำมีธรรมอารม์อารมณ์ทางใจสุข ทุกความคิดอดีตอนาคตนี่เป็นธรรมลมนะและทั้งวิญญาณและนามรูปทั้งหมดเนี่ยรวมเรียกสังขารทั้งหลายมีเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้ห้าธาตุเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอย่างเราคิดว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยเป็นของเราพระเจ้าบอกไม่ใช่เหมือนกัน มันเป็นเพียงแค่ธาตุรู้เหมือนดินเหมือนน้ำอย่างนี้มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ธาตุเนี้ยมันเป็นธาตุรู้ที่รับรู้สิ่งต่างๆได้คือรับรู้ดินน้ำไฟลมรับรู้เวทนารับรู้สัญญารับรู้สังขารได้มันรับรู้ได้สี่ธาตุนี้แต่มันก็รู้วินรู้นิพานไม่ได้นะดังนั้นมันรู้ได้แค่สี่ธาตุนี้ ความไม่รู้เป็นเหตุให้เราเข้ามาหลงยึดวิญญาณเป็นตัวเราและเมื่อวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุเราก็หลงไอ้สี่ธาตุเป็นของเราอีกเหมือนกันนะมันก็หลงหลายชั้นนี่เรียกว่าอาวิชาความไม่รู้นะเป็นอย่างนี้ตรงช่วงที่เป็นวิญญาณแล้วก็นำรูปมันใกล้เคียงกับตอนที่ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องขันห้าใช่ไหมเจ้าคะใช่ มานานเดียวกันที่พรุทธเจ้าบอกว่าขันท่าเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะเข้าไปตั้งอาศัยในขันทั้งสี่อธิบายโดยปฏิจจสุบาทก็คือจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือวิญญาณกลุ่มหนึ่งคือนามโลกนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามโลกต่างคนต่างอาศัยกันเป็นเหตุเกิดของกันเหมือนไม้สองกมพิงกันหรือแสงไปกระทบกระฉากแสงแดดส่องมาที่เรือน ที่มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเลือนด้านทิศตะวันตกแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกตอบผู้เจ้าว่าปรากฏที่ฝาเลือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีสาวกตอบแสงปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีสาวกตอบแสงปรากฏที่น้ำอย่างนี้เราหันไปปุ๊บแสงปรากฏที่น้ำแสงปรากฏที่ดินแสงปรากฏที่ฝาเรือนนะดังนั้นถ้าไม่มีแสงเราก็ไม่เห็นอะไรหรือมีแต่แสงไม่มีตัวธาตเราก็ไม่เห็นอะไร ทั้งสองจึงอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้นี่คือการอาศัยกันเกิดขึ้นจะไม่เหมือนกับลูกเกิดจากท้องพ่อแม่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการปรากฏขึ้นพร้อมกันอย่างนี้พระองค์จึงบอกว่าวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้และทั้งหมดเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ดังนั้นถ้ารู้แล้วก็คืออยู่ในวิมุติ แต่เพราะความไม่รู้จึงเข้ามาหลงยึดขนออันห้าวิญญาณกับนามรูปเนี่ยรวมกันเรียกว่าสังขารใช่ขันห้าทั้งหมดเนี่ยเรียกสังขารได้หมดออสังขารเป็นคําที่กว้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารก็มีในขันหน้ า, าและตัวขันห้าทุกตัวก็เรียกว่าสังขารได้อีกอออมันซ้อนกันอย่างนี้สังขารหรือสังขาธรรม หมายถึงธรรมหรือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้จะถูกเรียกว่าสังขารดังนั้นสังขารก็คือสังขารคือร่างกายจิตใจนี่ก็มีพระเจา้าตรัสอย่างนี้ก็มีร่างกายปรุงแต่งได้ไมละ่ะได้ผมงอกหนังเหี่ยวฟันหลุดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นี่สังขารเวทนาก็ถูกปรุงแต่งได้เพราะไม่มีสุขคงที่ไม่มีทุก ข, ข์คงที่ สุเกิดแล้วก็เดินไปสู่ความดับความทุกข์เกิดแล้วก็เดินไปสู่ความดับก็เลยรวมเรียกว่าสังขารอีกสัญญาก็ดับได้สังขารก็ดับได้วิญญาณก็ดับได้ทั้งหมดจึงถูกเรียกว่าสังขารแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวถูกเรียกว่าสังขารได้หมดทั้งห้าตัวจึงถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้คำว่าสังขารนี่ยากนิดหนึ่งใช้ซ้อนกัน Uh huh. อะไรเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาตรงเนี้ย <c oughs> เป็นตัวที่ที่ยากพูดได้หลายมุมล้สะศาสดาบอกว่ า, าที่สุดในเบื้องต้นและเบื้องปลายของอวิชา ย, ย่อมไม่ปรากฏนะแต่อวิชชาเนี่ยาย่อมมีมาแต่ในภายหลังนะนั้น อวิชาเนี่ยมันหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และที่สุดของมันเนี่ยก็ก็ไม่ปรากฏเหมือนกันที่สุดในเบื้องต้นกำเนิดของมันก็ไม่ปรากฏแต่อวิชาเนี่ยย่อมมีมาแต่ในภายหลังนะโนอาหารของอวิชาเนี่ยมีคือนิวนหะเป็นเหตุให้อวิชาเป็นเหตุหล่อเลี้ยงอวิชาให้ดำรงอยู่ต่อไปนะและจะมีอยู่ประสูนรหนึ่งที่พระองค์ตัดในเรื่องของ อุปาทิเนี่ยเป็นเนจเกิดของอวิชชาตัวความยึดมั่นเนี่ยทำให้เกิดความหลงขึ้นมานซึ่งพสูตนี้จะน่าจะมีพสูตรเดียวหรือไม่กี่พสูตรซึ่งจะมีน้อยมากเพราะมันต้องต้องอเข้าใจลึกละถึงจะไปะพิจรณาตรงนี้ได้ผู้จ้าจึงจับไปน้อยมาก น, นั้นก็จะพูดสุดแค่อวิชชาพอว่าความไม่รู้เมื่อมีความไม่รู้เนี่ย ความพอใจก็จะมีขึ้นนั่นที่จะมีขึ้ น, นดังนั้นเมื่อความไม่รู้มีอยู่เนี่ยจะมีความพอใจทั้งในวิมุตพอใจทั้งในสมมติแต่เมื่อพอใจในสมมติแล้วเนี่ยถอนความพอใจออกมาไม่ได้วิธีจะถอนความพอใจออกจากสมมติได้ต้องรู้มรัก8ซึ่งมรัก8คนจะรู้ได้ก็ต้องเป็นสัตว์ผู้ที่ สั่งสมบารมีมาเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าถึงจะรู้เองได้ <c oughs> ที่เหลือเนี่ยก็คือฝังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแล้วก็รู้มรรคแปดได้และสามารถปฏิบัติได้จนอวิชชาหมดไปได้ดังนั้นเมื่ออวิชชาความไม่รู้ในฝั่งขันทั้งห้าหมดไปพระอรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งพระพุทธเจ้าจึงต้องละ ความเพลินในนิพานด้วยนะเพราะถ้าความเพลินยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าไปอีกนะนั่นแสดงว่าเหมือนตัวนันทิเนี่ยนะเป็นตัวเหมือนอวิชาเลยนะเพราะถ้ามีความไม่รู้ปุ๊บเนี่ยความพอใจจะเกิดขึ้นก็จะพอใจในวิมุตถ้าความพอใจในวิมุตมีได้ก็ความพอใจในสมุติก็ต้องมีได้พรนะพุทธเจ้าจึงบอก อรหันตสัมมาสัมพุทธะหรือพระอานขีณาสพทั้งหลายย่อมรักความเพลินในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานห้าไตรยของการไม่ยึดนิพพานแต่อยู่กับนิพพานแต่ต้องไม่ยึดนิพพานนนี่น เพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ตถาคตได้รู้รอบแล้วนะเพราะนันทนะิความเพลิ น, เ, นเป็นมูลแห่งความทุกขนะนะ์เพราะมีภพจึงมีชาติชลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วดังนั้นถ้าตราบใดเรามีนันทิคือความเพลินความพอใจมันจะมีอยู่และถ้าความพอใจมีปุ๊บเนี่ยสังสารวัฏจะเกิดขึ้นทันทีตรงนี้จะเป็นขั้นตอนระหว่างระหว่างวิมุตติส ม, มุติระหว่างการหลุดพ้น จะมีการอธิบายนิดหนึ่งนะผู้ที่ละวางขันธ์ห้าได้แล้วหมดอวิชชาแล้วหมดอวิชชาในฝั่งขันธ์ห้าแล้ว อ, อย่างนี้รู้แจ้งในขันธ์ห้าแล้วปุ๊บเนี่ยจะจะถึงตรงนี้แล้วนะนั่นก็คือผู้ที่เหมือนกับเดินอัลลัตร า, ตา อนั้น้ถ้าผู้ที่ตามกว่านี้เนี่ยผู้เจ้าบอกเลยว่าเขาจะสําคัญมั่นหมายสิ่งนิพพานสําคัญมั่นหมายในนิพพานสําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานสําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราและเขาจะเพลินอย่างยิ่งสิ่งนิพพานอืมเขาจะคาดว่านิพพานจะมุ่งหมายเพื่อนิพพาน่คิดว่าโอ้นิพพานในสุดยอดเลยต้องเป็นตัวเขาของเขาแน่นอนอย่างนี้อแต่พอถึงแล้วจริงก็อ้าวไม่ใช่นะก็ต้องวางนิพพานอีกแต่อาศัยอยู่ในนิพพานนั่นแหละ แต่ต้องวางความปอใจเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> มีคำถามทางอินเทอร์เน็ตสัก 2-3 าคำถามนะผู้ชม190ท่านจากไทยลาวฮ่องกงเกาหลีอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนอร์เวย์สวีเดนสวิตและก็ออสเตรเลียาจากกรทมเมื่อคืนนี้ทำอนาปานสติในท่านอนแล้วหลับไปกลางดึกมีอาการคล้ายๆตื่นอยู่ มีความรู้ตัวและสภาพรอบตัวจึงจะลุกขึ้นนั่งทำสมาธิแต่ปรากฏว่าพอลุกขึ้นรู้สึกหนักและมองเห็นตัวเองนอนอยู่อาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรมีผลดีผลเสียอย่างไรมีใครเคยเป็นอาการบ้างไหมมีคาอธิบายในพุทธศาสนาบ้างไหมครับออ ก็ไม่มีอะไรนะี่ก็มีหลายคนก็ในเป็นอย่างนี้อยู่ก็มีนมะแล้วก็ให้เห็นการเกิดดับต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าจะเอาแบบเร็วนะยิงตรงยิงแม่นนะยิงเข้าไปที่อวิสสัต์ก็คือเกิดไหมดับไหมนะ ถ้าเกิดดับแล้วก็ะ ล, ะละนันทิไปเลยมไม่มีก็ไม่มีผลเสียอะไรอ่เนะถ้าเราเห็นการเกิดการดับผลดีก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของเรานยอืม จะเห็นในความเป็นเราเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิเราจะเห็นว่าความเป็นเราเนี่ยมันอยู่กับวิญญาณเวลาวิญญาณไปอยู่กับความคิดเราก็จะคิดว่านี่ฉันกาลังคิดเราก็จะวางร่างกายตรงนั้นไปแล้วเวลาร่างกายเราแตกทำลายนีน่ความเป็นเราก็ยังอยู่ในวิญญาณวิญญาณไปเกาะอารมณ์ใดเราจริง ไปสร้างอัตภาพในอารมณ์นั้นต่อไปนะการเกิดจึงมีสืบเนื่องกันเรื่อยๆนั่นก็ดึงจิตกลับมาที่กายของเรานะและการรู้การเห็นต่างๆก็จะดับไปจากกรุงเทพนิทานชาดก5้าร้อยชาติมีในพุทธวจนะหรือไม่ ห้าร้อยชา ต, ตรงนี้แต่งขึ้นใหม่แต่ในบางชาติเนี่ยก็แต่งโดยอิงจากพุทธวจนะเช่นอย่างเวสันดนรชาดกเนี่ยก็พระองค์ได้ตรัสเอาไว้อยู่ต่ตัดไว้ไม่มากหรอกไม่กี่หน้าแต่เขาก็าไปแต่งกันเอาเองเป็นหลายๆร้อ ย, ยหน้า่นะจากแบงคอกข้อความในแผ่นภาพข้อที่สี่ ท่อนสองเป็นการพิมพ์ผิดหรือไม่อย่างไรครับอ่านแล้วจะสับสนอสงสัยพระสูตรนั้นเราต้งกลองศึกน่าจะเป็นอย่างนั้นต้องไปอ่านทบทวนอีกทีนะไม่ผิดหรอกอก็ครูเจ้าคงวางสนุกไว้ให้งงเล่นจะได้อ่านหลายๆเที่ยว <c oughs> ก็จะเป็นนัยยะของของความเสื่อมของาศาสนา ซึ่งถ้าศาสนาเสื่อมเนี่ยก็คือพอเอาคําตถาคตมาแล้วเนี่ยจับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวก็คําตถาคตทำไมไม่ฟังก็นั่นแหละนั่นแหละไม่ฟังมันเลยเป็นเหตุเสื่อมนะส่วนคําสาวกหรือคําที่แต่งใหม่เธอกับฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังนั่นแหละความเสื่อมมันเป็นไวยากของความเสื่อมนะอันนี้ก็ให้เราทราบไม่ได้พิมพ์ผิดอะไรนะพระองค์ตัดอย่างนั้นจริงๆ ช่วงตอนก่อนนอนได้ทำสมาธิอนาปานาสติหลังจากนั้นก็นอนนอนนะคะโดยที่ทำอนาปานาสติไปด้วยในระหว่างที่นอนปรากฏว่าตอนที่หลับไปนันเนี่ยจะเห็นเป็นความนิ่งอยู่ตลอดคืนะะเจ้าคะ่ะแต่ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ง่วงเหงาหาวนอนก็คือ มีอาการสบายดีพักผ่อนได้นอนหลับเต็มที่พักผ่อนเต็มที่แต่ว่าไม่ใช่นอนหลับก็คือมีมีความสว่างนิ่งๆ อ, อยู่ตลอด อ, อันนั้นเนี่ยเป็นอะไรเจ้าคะก็คือทาสมาธิมากจะจิตบางทีหรือว่าจิตเราตั้งมั่นมากเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะ แต่ก็พัฒนาขึ้นไปอีกหน่อยให้แบบว่าให้หลับได้คือถ้าพัฒนาขึ้นไปนิดนึงเนี่ยจะให้หลับก็ไ ด, จได้จะให้รู้สึกตัวก็ได้ฝันก็รู้สึกสามารถรู้สึกตัวได้เร็ววอ๋อนี่ฝันแล้วก็ปล่อยหลับอย่างนี้คือได้หมดเรียกว่ า, าเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันรองแห่งจิตนะผู้ช า, าจะดัดอย่างนี้จะให้คิดก็ได้หยุดคิดก็ได้ นะให้หลับก็ได้นะฝันปุ๊บก็รู้ตัวออนะี่ฝันจะหยุดฝันก็ได้อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็เราจะรู้สึกดีในในช่วงแรกๆแต่ร่างกายถ้าไม่ได้พักผ่อนก็จ ะ, ะจำรุดเป็นธรรมดานั้นอย่างพูะุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าองค์ก็อย่างลงสู่ความหลับอย่างนี้นั้น ตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นธรรมดานะเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนิดหนึง่งจิตพอาตั้งมั่นมากวมันก็มันตื่นตลอดนะอืม <c oughs> เคยเป็นอยู่อย่างโยมอนะาตมาก็เคยเป็นพนะระอาจารย์เมต่อกี้พูดถึงเรื่องหนังสือเราพิมพ์ผิดหรือเปล่ามันมีตัวนย่างฮะไม่ทราบว่าเจตน า, นาออกป่าตรงที่ว่าที่สู่ทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า อย่างเงี้ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอตรงยังประโยชน์ตนเนะี่ย น, นี้ในสาธยายทำเราณวันเนี้ยไอตัวเนี้ยมันไม่มีในบาลีมันไม่มี ใ, มมมใช่ไหมฮะพวกเธอตรงยังประโยชน์ตนเพื่อความอย่างเงี้ยไม่มีใช่มวัดที่เงี้ไม่ไม่มีอ๋อ ไ, นะ ไ, ไม่มีมมคือในพราะเก่าเคยท่องแบบนี้ใช่มันจะมียังประโยชน์ตนและประโยชน์ คู่อื่นหรือประโยชน์จนให้ถึงปร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เกินมาอ๋อที่เกินมาใช่ใช่อ๋อเราเจตนาตัดออกไปเราก็เลยเจตนาตัดออกไปอาไปเช็คในบาลีแล้วมันไม่มีครับขอบคุณครับก็ช่วยกันดูบางครั้งก็ตกบางครั้งก็เจตนาตัดออกใช่ใช่ใช่มันมันจะอยู่ในอีกที่หนึ่ง น่าจะอยู่ในช่วงที่พระองค์ปรงอายุสังขารหรือยังไงเนี่ยนะอ่ามันมันจะมีตรงนี้ด้วยมีเหมือนกันใช่แต่ไม่ได้มีอยู่ในปัจฉิมวาราอ่าอย่างนี้อ่ฮะอฮะมีหมอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ อ๋อไม่เป็นไรทำเลยก็ได้ทำเลยก็ได้ใช่พระไตจีดกเหรอคือยอดพักกันเหรอยอดพักกันไม่ไม่เกี่ยวมึงน่าจะแต่งใหม่นะอ่าออ ก็คือพระตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่2 ส, ส่วนคือพุทธวัตนากับคำแต่งใหม่นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาทรงจําหลังพระเจ้าปรรณิพานเนี่ยเขาทรงจำทรงจำมาแต่ธรรมะกับวินยัยไอ้คำว่าพระตรปิฎกเนี่ยมันมาทีหลังนะมันมีแต่ธรรมะกับวินยัยน ะ, ะถ้าว่าจะมีปิฎกก็คือมีสองปิฎกแค่นั้นนะธรรมกับวินยัยส่วนอภิธรรมปิฎกเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ย12เล่มท้ายของปัติพิดกเนี่ยก็ํำแต่งใหม่ส่วนอภิธรรมจริงๆเนี่ยมันอยู่ในหมวดธรรมอยู่แล้วคือโพธิปัจจยธรรม37นะอ่าอยู่ในสุตตันตะอยู่แล้วนะสุตตันตปิฎกหรือในหมวดธรรมนะวินัยแล้วก็ธรรมะนี่คือสองอย่างที่ออกจากปากพระศาสดาเนี่ยนะอ่า ดังไหมดังค่ะการรัมมัสการข้าจารเจ้าค่ะเออพอดีเห็นรูปนะคะมีรูปที่พระพิสุจุดโคมดอดโคมโคมไฟที่เป็นโคมลอยแบบทางเหนือค่ะอันนี้นี่ผิดไม่คะหรือทำได้ไหมคะพอดีเห็นแล้วก็เมีข้อสงสัยว่ามันสามารถ ทำได้หรือเปล่าหรือผิดวินัยมคะเจ้าค่ะอ๋อก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรอ่ามันจะไปอยู่ในอยู่ที่เจตนาของเขามันอยู่ในบทที่ว่าเกี่ยวกับอะไรนะแสงสีเสียงที่พระสงฆ์อ่าที่ในในอริยมินฉาเนี่ยไหเจ้าค่ะแสงสีเสียงที่ที่เกี่ยวกับบทที่อ่าทังพวกอ่านิยมก็จําไม่ค่อยได้อ่าเรื่องของความบันเทิงหรือเรื่องของอ่า อะไรประมาณนั้นนะคะอ๋อคือถ้าตั้งเจตนาเป็นอย่างนั้นนะมันก็ก็ผิดตามเจตนาตรงนั้นอยู่อยู่ที่ที่ตัวเจตนาอยที่ตัวเจตนาใช่ใช่บางทีโยมเห็นโยมเอ๊ะเป็นกิิจของสงฆ์หรือเปล่าอ่าใช่ก็คงคงไม่ใช่ไม่ใช่โดยตรงนะอ่าอยู่ที่ตัวตัวเจตนาเป็นหลัก ก็เหมือนกับสูบุรีเนี่ยปรับโดยตรงก็ไม่มีแต่ก็สูบดีไหมก็มันก็ไม่เคยดีไม่เคยเกิดประโยชน์ดูไม่งามนะแต่จะปรับความผิดท่านก็ไม่มีนะอ่าก็เลยเลยมันเป็นกลางๆก็ก็อยู่ที่ดูที่เชตนาของผู้ทาว่าทำไปเพื่อความบันเทิงหรือว่าวัตถโกธุลัมงคลหรือเปล่า คิดว่าโอ้อันนี้ลอยแล้วเป็นมงคลนะอธิษฐานจิตขอนั่นขอนี่อะไรอย่างนี้ก็จะเริ่มค่อยๆวกเข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยๆเราะว่าอย่างถ้าเป็นคารวาสเนี่ยค่ะความรู้สึกของโยมคือการจุดคมลอยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความบันเทิงเป็นความเหมือนกับความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยโดยโดยทั่วไปมักจะเป็นประมาณนั้นอยงเชนงานลอยกระทง างานปีใหม่หรืองานอะไรประมาณนั้นนะคะพ อ, อเห็นพระจุดมานั่งดูมันก็สวยอยู่เนาะแต่มันมันใช่ผิดถึงอถกอะไปเจ้า <laughs> <c oughs> คับขออนุญาตครับอย า, ากจะสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องข้อทุดงขวัตรที่นเม่อครับที่ว่ามีสิบสามข้อนะครับเราจะมีอยู่สองข้ อ, อคือข้อที่ว่าอยู่ ต้นไม้อะครับ uh huh. เป็นวัดอก uh ับ huh. ข้อที่ว่าอยู่กลางแจ้งเป็นวัดนะครับ uh huh. ดูแล้วมันคล้ายๆกันนะครับมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันในรายละเอียดยังไงบ้างครับแล้วอ uh ืม huh. ถ้าในข้อที่อยู่กลางแจ้งเป็นวัดเนี่ยอืมสามารถจะทําได้ได้มากน้อยขนาดไหนครับก็ความในความคิดของผมก็คืออยู่กลางแจ้งคืออยู่ในที่แสงสว่างออื uh huh. กลางแดดอะไรเงี้ยครับอะ uh huh. จริงๆแล้วเป็นยังไงครับอ uh huh. ก็เคยลองทำมาเหมือนกันสมัยที่มาอยู่ที่นี่แรกๆแล้วก็ไม่มีต้นไม้เลยอย่างเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันอยู่ตรงนี้ตอนยังไม่มีต้นไม้ก็ถือทุดงข้ออยู่กลางแจ้งซิเป็นยังไงนะนี่จะอยู่ไงกลางแจ้งแล้วก็ลองหลายๆแบบก็ลองตั้งแต่แบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเอาเสือมาปู เ, าเพราะว่าตอนแรกก็จะขุดเป็นคันล้อมรอบที่ผืนนี้แล้วก็ ทำเป็นเนินดินไว้ประมาณหกเจ็ดที่นะเราก็อาศัยอยู่บนเนินดินนะก็ปูเสื่อนะผักอยู่ที่นั่นมันก็มองโล่งไปหมดนะมันกอ็อยู่ลําบากเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึง <laughs> ว่าอ <laughs> าจารย์ก็อยู่กลางแดดแล้วครับก็อยู่กลางแดดอมันก็ลําบากแต่มันช่วงกลางวันมันก็ร้อนมากช่วงกลางคืนก็จะเปียกน ะ, อะตอนหลังก็พัฒนามาเอ๊ะ มันจะมีกฎสักอันได้ไหมเนี่ย <c oughs> ก็ห า, ากฎมันจะอยู่โคนไม้ก็เอ๊เดี๋ยวมันจะไปเข้ากับโคนไม้ก็ให้คนสวนเอาไม้มาปักอันหนึง่งตะปูมาตอกเป็นที่แขวนกฎนี่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> กางมุ้งกดก็อยู่โอ้โหขนาดมีกดมันก็แย่เหมือนกันนะมันก็ยังร้อนแล้วกลางคืนเนี่ยก็เปียกหมดนะ่ะกดนี่ก็เปียกเราก็เลยรู้เลยว่าไอ้คนที่นอน ไม่ได้นอนในบ้านเนี่ยนอนกลางแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่สบายเลยนะอ่ามันจะเปียกลืมตาขึ้นมาตื่นมาช่วงกลางคืนก็เห็นดวงจันทร์เห็นดวงดาวโอ้มันอีกบรรยากาศหนึ่งปกติลืมตามาปุ๊บจะเห็นผนังเห็นหลังคากุฏิอย่างเงี้ยใช่ไหมฝ้าเพดานอย่างเงี้ยอ่าแต่นี้มองมาปุ๊บอ่าเนีเห็นดวงจันทร์นะมองไปข้างๆก็พื้นดินเราก็อยู่เหมือนกษัตริย์เลย งูตะขาบแมลงป่องอะไรก็สามารถมาถึงกันได้หมด ม, มันก็ให้ความรู้สึกอีกอันหนึ่งว่าเราหวาดเสียวไหมนอนไปมันก็คิดเลยงูจะมาหรบเปล่ามันจะมุดมาข้างใต้หรือเปล่าอะไรนะี่จิปาถามันก็จะปรุงแต่งไปก็จะทำให้เราได้ป่ารบความเปลยงนะงั้นนั่งสมาธิแล้วกั น, น, นสแสดงว่าข้อที่ อ, อยู่ใต้โคนต้นไม้ ว่าไปก็ปฏิบัติง่ายกว่าเพราะที่อยู่กลางแจ้งใช่ไหมน่าจะง่ายกว่าง่ากว่าใช่ก็ถือว่าหรูละได้ต้นไม้ต้นหนึ่งเลยก็ได้แต่ใครอยากขูดเกาคิเลก็หยิบเอาไปทําอืมเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นทางด่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาเป็นช้อยให้เลือกใครอยากปฏิบัติถึงว่าผลไวก็เป็นก็อด่วนใช่ใช่ให้เร็วขึ้นขอบคุณครับไม่รู้จะอุปมาอะไรดีเป็นออปชั่นไหม ใส่เทอร์โบไปอ่ะจะได้ไปไวขึ้นนวัสการพระอาจารครับ <S S S S <c oughs> วันนี้พาพ่อกับแม่มาจากอุดรนะครับ <c oughs> นั่งรถมาห้าร้อยกิโลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คนไปส่งอีก5้าร้อยกิโล ร, รวมแล้วเป็นพันกิโลหวังว่านะครับได้ฟังสักพศจะกำไรื่อเทีกว่าหนึ0 0พันกิโลที่นั่งมากนะครับก็พ่อเป็นคนมีปัญญานิดหน่อยอะนะครับ อ, อายุมากแล้วนะครับแล้วก็มีเจ็บป่วยเป็นธรรมดาะนะครับวันนี้อยากจะให้พระอาจารย์นะครับ <c oughs> ขอความเมตตาขอสักพะ ส, สำหรับผู้มีอายุ ว่ า, าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรดีเพื่อที่จะ อ, อยู่เป็นสุขนในช่วงเวลาที่ที่ที่มีอยู่ที่มีอยู่เนาะขอของพ่อสักประสูตครั บ, รบก็จริงๆแล้วคนผู้มีอายุเนี่ยเคยมาถามพระตาตาคตอยู่มาลุงกยบุตรนะบอกว่าข้าพรงเป็นผู้เท่าผู้แก่ผ่านลาตรีมานานบอกพระผู้มีพระภาคเจ้ามีธรรมะสั้นๆไหมที่ทำให้ข้าพรงเนี่ยเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ย จะได้ความเข้าใจในอะไนนรทำเนี่ยลทุกได้ผู้ชา้าบอกมีอยู่ก็เลยสอนมาลุงกายบุตรว่ามาลุงกายบุตรเนี่ยเธอเห็นอะไรแล้วสักแต่ว่าเห็นได้ไหมได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ทำอารมณ์ด้วยใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปทำเท่าเนี้ทำปฏิบัติเพียงเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มี เมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นนั่นแหละคือที่สุดของทุกนะนั่นคือเรากําลังปฏิเสธวิญญาณไม่เพลินกับวิญญาณไปตลอดวิญญาณออกไปรับรู้ปล่อยวางรับรู้วางไม่สนใจนะลูกหลานจะบน่นจะนินทาจะสรรเสริญเราก็วางนะลูกหลานจะทำอะไรให้ไม่ดีเราก็ปล่อยวางนะเฉยๆเราอยู่สงบ ทำตัวเหมือนเต่าหดหัวแขนขาวไว้ในกระดองนะบอกภิกษุน ะ, ะพึงตั้งโมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นนะมารผู้มีบาปจะทาอันตรายเธอไม่ได้นะเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาชันนั้นเราก็ทําเหมือนผู้เจ้าแนะนำนะสํารวมอินทรีย์สํารวมจิตของเราอยู่กระลมหายใจเข้าออก อยู่กับกายนะจิตเคลื่อนออกไปช่างมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไปสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นรู้ลหมหายใจเขาออกเขาไวจิตอยู่กับกายให้ได้ตลอดทําเท่านี้ยยมหลุดพ้นได้แ น, น่นอนนะพ้นจากความแก่เจ็บตายซึ่งกําลังค่อยๆเข้ามาเยือนเราแล้วแ ล, วและทุกคนในศารา น, นี้ก็จะต้องเป็นเหมือนเรานี่แหละนะทุกคนจะต้องแก่ทุกคนจะต้องตายนะนะะทุกคนก็ ต้องประสบกับสิ่งนี้ทุกคนจะต้องรู้จากการวางจิตเมื่อเออเวลาที่จะตายมาถึงเราเราจะทำอย่างไรนะนั่นก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่จะต้องตายทุกคนในที่นี้จะต้องจากโลกนี้ไปดังนะนั้นวิธีการวางจิตที่พระศาสดาบัญญัติไว้แล้วเสาเขื่อนเสาหลักของจิตคือกายกายยัตาสติเอาจิตอยู่กับกายให้มากๆ <c oughs> กายยะะตาสติ อันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมอมตะแปลว่าความไม่ตายถ้าเขาไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเขาก็ไม่ลืมอมตนะธรรมไม่ลืมความไม่ตายเหมือนกันนะนั้นเราเอาแค่เนี้ยหลักๆไม่ต้องเรียนรู้เยอะขอพระสูตรเดียวหลุดพ้นได้น ะ, อะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะ ของพ่อน่าจะพอเข้าใจของแม่ต้องขอแบบซิมเพิลเข้ามานิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> แม่เป็นคนที่ปัญญาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเ <c oughs> ทียบกับพ่อพักหลังก็จะมีหลงห ล, ล, ลืมๆบ้างแต่สิ่งที่ยึดมั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อทั้งหมดนะครับผมเป็นผีสางเทวดานางไม้อะไรทั้งหมดใช่หมดครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าจะชักนํานะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสวรรค์อนะครับ ากับเรียนพระอาจารย์พูดเรื่องสวรรค์เรื่องที่ที่เขาอยากจะไปนะครับว่าเป็นแห่งบางสวรรค์นะครับกับเรียนพระอาจารย์นิดนึงนะครับเพื่อเพื่อจะอถ้าเพื่อได้ไปสวรรค์อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นจา่าข้า อ, อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําได้นะครับผมกาบเรียนนิดหนึ่งครับก็ <c ười> คือเนี่ยในหนังสือภพภูมิเนี่ยที่ทำไว้ให้เนี่ยอันนี้เป็นคําสอนศาสดาของเราเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิต่างๆ พระศาสดาเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้สับปันอยู่รู้ทุกเรื่องตามความเป็นจริงและผู้เจ้าก็บอกพวกเราทั้งหลายเนี่ยเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นนะโยมเคยเกิดเป็นเทวดามาแล้วเคยเกิดเป็นคนจนคนรวยเป็นเปรตวิสัยเป็นสันนลกเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นนะเป็นสัตว์เราษานก็เคยเป็นมาแล้วนั้นถ้าจะไปหวังเป็นเทวดาอีกก็ต้องมาตายอีกเหมือนกัน นี่เราก็เป็นเทวดามาแล้วนั่นเนี่ยแล้วตายแล้วก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็รอตายอีกแล้วก็จะไปเป็นเทวดาอีกนะเดี๋ยวก็ตายอีกนะมันจะวนเวียนอย่างนี้และเทวดาที่ตายแล้วจะได้กลับมาสู่ความเป็นเทวดาอีกเนี่ยเหลือน้อยเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บมันจะไปพบอื่นหมดเลยจากเทวดาไปสู่นรกกัมเนริชานเปรตวิสัยก็สามารถไปได้เลยนะดังนั้นการเป็นเทวดาก็ยังไม่พ้นนรก <c oughs> พระเจ้าจึงแนะนํานิพพานคือความไม่ตายดีที่สุดน ะ, ะเราเคยเกิดมาแล้วโยมต้องทราบว่าเราเคยเป็นมาแล้วเคยไหว้ผีสางนางไม้เทวดาเราก็เคยเป็นมาแล้วพวกนั้นน ะ, น ะ, ะทุกภพเนี่ยนั้นเราอย่ามวัวไปไปไหว้เขเลยเขาก็เคยไหว้เราเราก็เคยไหว้เขาไหว้กันไปไหว้กันมาอย่างเนี้ยสัตว์ทั้งหลายเนาะเพราะนั้น พึ่งพระลัคนะไตรมุ่งนิพพานดีกว่าคือความไม่ตายซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วในพวกเราทุกคนวิมุตติยันทัศนะเนี่ยผู้รู้ในวิมุตติหรือความไม่ตายในยอมาตะธรรมเนี่ยตัวเราก็มีผู้เจ้าเนี่ยกำลังทําให้เราเนี่ยเข้าไปถึงสภาวะเดิมของตัวเองคือความไม่ตายด้วยการวางความพอใจในสิ่งที่มันแก่เจ็บตายได้ ร่างกายเป็นของแก่เจ็บตายเนี่ยวางมันไปเถอะอย่าไปสนใจมันนะร่างกายเทวดาก็แก่เจ็บตายวางมันไปอย่าไปสนใจมันร่างกายของพรหมก็เป็นของแก่เจ็บตายนะเปรตวิสัยเดลฉานสันนล ก, ก็แก่เจ็บตายหมดนะมุ่งความไม่ตายดีกว่านะดีที่สุดทีนี้ความไม่ตายจะทำยังไงก็คือยมนึกถึงลมหายใจเรื่อย นึกถึงลมหายใจก่อนตายก็นึกถึงลมหายใจอย่าไปนึกเรื่องอะไรเพราะการไปคิดถึงอะไรก็ตามเนี่ยกังวลเรื่องอะไรยึดมั่นเรื่องอะไรตรงนั้นจะเป็นที่เกิดเป็นพบเป็นสถานที่เกิดของจิตซึ่งเราจะได้อัตภาพต่อไปซึ่งถ้าได้การเกิดจะได้ตายตามมาด้วยเราแก่วันนี้เราก็เคยแก่มาแล้วตลอดการยาวนาน และวันนี้ก็แก่อีกเป็นรอบที่กี่ล้านครั้งแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็จะตายอีกเป็นรอบที่ไม่รู้กี่ล้านครั้งนะนับไม่ท้วนเลยนะซึ่งพระเจ้า อ, อุปมาการที่เราเกิดมาเนี่ยบอกถ้ารวมน้ําตาที่เราเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เอาว่ารวมน้ําตาได้แค่บ่อ น, นี้ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วนะเนี่ยแต่นี้น้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เลย นั่นคือเราเกิดมาแล้วตลอดการยาวนานนานมากนิกยมเคยไปท่องเที่ยวมาแทบทุกพบนั่นแหละนะตั้งพบดีพบไม่ดีนะน่าจะใช้โอกาสนี้นะที่เราได้สดับในคำของตาคาคัพันยูรู้ทุกเรื่องเก่งที่สุดในการที่จะออกจากสังสารวัตรนะ ตั้งความปรารถนาความมุ่งมั่นได้ว่าเราจะพ้นจากความแก่เจ็บตายอย่าไปปรารถนาเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งนะแต่สิ่งที่เราทำมาเนี่ยความดีที่เราทำมาเนี่ยมันก็จะส่งผลส่งผลอยู่แล้วถึงเราปรารถนาจะไม่ปรารถนาก็ตามการกระทำทางกายวาจาจิตเป็นผลกรรมที่เราจะเป็นทายาทของมันต่อไปแต่ถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นก็คือ ปล่อยวางว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตใจก็ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเรานะหรือถ้านะชาตินี้ยังไม่บรรลุทำอะไรฟังคำพู้เจ้าให้มากๆไปก่อนเนะีย่ยยมเอาซีดนะีไปฟังเรื่อยๆให้จิตเกาะ อ, อยู่กับคำพระศาสดา อย่างน้อยเราได้เป็นผู้สดับในธรรมนะถ้าโยมเข้าสมาธิได้โยมก็ได้ไปเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลแต่ถ้าโยมฟังคำตถาคตมากๆบ่อยๆถึงแม้จะยังเข้าสมาธิไม่ได้ยังไม่หลุดพน้นโยมจะไปหลุดพน้นไปบรรลุธรรมในภพของเทวดากล่าวหน้านะสร้างเหตุตรงนี้ดีกว่าฟังคาพระเจ้าเรื่อยๆอย่าเบือ่อ คำ ต, ตาคตแล้วยมจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่เหลืออีกนิดเดียวเนี่ยโยมนะอย่าไปสนใจกับสุขอันเกิดจากรูปเสียงกินรสเราก็คบมันมานานแล้วนะคบมันมาทั้งชีวิตแล้วรูปเสียงกินรสเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลกับตัวเองอาหารอร่อยเราก็กินมาแล้วนะตลอดการยาวนานเสียงเพราะๆเราก็ฟังมาแล้วตลอดการยาวนานนะ เห็นรูปสวยๆล้วก็เห็นมาแล้วตลอดชีวิตนะสัมผัสดีๆธรรมอารมณ์อารมณ์ที่น่าพอใจเราก็เสบครบมาแล้วทั้งชีวิตนโยมตอนนี้เราลองมาเสบครบธรรมะพระตถาคตชีวิตเหลอืออนิดเดียวไม่กี่ปีตัดใจเอาวะลองสหน่อยนะอ่าเสร็จคบเดือนปีหนึ่งเนะี่ยฟังแต่คำตถาคตตลอดเลยฟังคำพูะพุทธตลอด ดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเวลาที่เหลือของชีวิตลองปรงศรัทธาลงในตถาคตเชื่อเลยว่าพระผู้เจ้าเนี่ยดีสุดเลิศสุดเราก็นับถือศาสนาพุทธมานานแล้วแต่ยังไม่เคยร้อยเปอร์เซ็นต์กับท่านสักทีเอาเลปีสองปีเอาซะหน่อยอย่า่ยยมฟังธรรมะตถาคตหนึ่งๆตลอดเลยลูกหลานมาเยี่ยมก็อ้า อ่านหนังสือพุทธวจะนะให้แม่ฟังหน่อยอะนีอ่านมาเชื่อว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้นะตามอั น, นิี่สงที่พูะเจ้าได้ตรัสเอาไว้ฟังรมตะตาคตอยู่เนืองๆต่อไปก็จะคล่องปากขึ้นใจจำได้พอเข้าใจไหมนะเจอไหผมพยายามที่จะบอกให้แม่นั่งสมาธินะครับทางแม่เขาก็จะฝังใจว่าสมัย เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเคยไปที่วัดบางวัดมานะครับก็มีหลวงพ่อท่านทักว่านั่งสมาธิเยอะๆเดี๋ยวจิตมันปรุงแต่งเดี๋ยวจะเป็นบ้านะเขาก็กลัวกลัวเป็นบ้านะครับกลัวมันได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยไม่ค่อยกล้านั่งสมาธิอาจารย์จะมีข้อแนะนำบ้างไหมครับโยมหลวงพ่อกับพระพุทธเจ้ามันคนละเรื่องกันเลยนะนี่ตะมาเอาคาพระพุทธเจ้าพ่อของหลวงพ่ออีกที พระบิดาของหลวงพ่อคนนั้นนะเพราะฉนั้นไม่มีคําของใครมาคัดง้างําพระศาสดาของเราได้หลอดเดียว น, นั้นที่อาตมาถ่ายทอดให้โยมเนี่ยเป็นคําของพระศาสดาพระตถาคตบิดาของพระทั่วโลกนอพั้นให้โยมสบายใจได้ทําสมาธิไม่บ้านแน่นอนรู้ลมหายใจเข้าออกเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจนะ บางทีพลาท่านก็จํามาผิดบ้างพลาดบ้างอะไรบ้างครับปล่อยท่านไปไม่เป็นไรแต่เราฟังคํำผู้เจ้าเป็นหลักขออีกนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เรื่องของ <c oughs> อ, าอาชาในาาสี่แบบนะครับ <c oughs> กับเรียนพระาอาจารย์ออธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับบางทาีในเราสามคนบางทีอาจจะอาชาในาคนเราแบบ บางคนอาจจะต้องถึงกระดูก ถ, ถึงเนื้อนะครับการเรียนพระอาจารย์นิดหนึ่งครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับความสำนึกที่จะมาเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าคนเราเนี่ยมันเร็วไม่เท่ากันมาอาชานายพวกแรกเนี่ยแค่เห็นเงาประตักนายยกขึ้นก็วิ่งแล้ว ประตักยังไม่ทันจะทิมถึงเนื้อเงามาแล้ววิ่งเลยพวกนี้นี่แค่ได้ยินได้ฟังเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็ปฏิบททัติมำละมาอาชาไยพวกที่สองนี่ต้องประตักเข้าไปถึงขุมขนนะเห็นเงายั ง, งแอบแบยังไม่ใช่ละมั่งเนี่ยพอประตักมาถึงขุมขนได้ชักรู้สึกเริ่มวิ่ง พวกนี้ต้องได้เห็นได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเริ่มสํานึกเริ่มปฏิบัติธรรมอีกพวกพวกที่สาม <c oughs> ประตัดถึงขุมคนก็ยังเฉยเฉยคงจะยังไม่เป็นไรหรอกน ะ, ะคนขี่ต้องลงไปถึงเนื้อจิกลงไปนี่ยังไม่วิ่งเหรอ <c oughs> พวกที่สามเนี่ยก็คือ คนที่เรารักญาติสาโลหิตได้รับทุกเจียนตายหรือเสียชีวิตเราก็เริ่มรู้สึกโอ้มันใกล้ตัวแล้วนะเนี่ยพ่อเราตายแม่เราตายลูกเราตายสามีเราตายภรรยาเราตา ย, เ, ยเริ่มใกล้แล้วเราก็คงจะตายเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มปฏิบัติธรรมดีกว่าเริ่มสำนึกหละพวกที่สีถึงลุ่ ถึงเนื้ อ, อยังเฉยๆต้องประตักเข้าถึงกระดูกนะพวกนี้นี่ต้องได้รับทุกเจียนตายเองนะความแก่ชลาเข้ามาเยือนเองความเจ็บไข้นะทุกเวทนาแสนสาหัสนะเข้ามาเยือนตัวเราปุ๊บเนี่ยเริ่มจะรู้สึกละดังนั้น <c oughs> คนที่ใกล้ๆจะเสียชีวิต เริ่มแสวงหาธรรมะแล้วอันที่มาก็เห็นหลายคนที่พอรู้ตัวว่าเป็นมารเลงเป็นอะไรต่ออะไรโรคอะไรหนังสือพระเต็มรอบตัวเลยก็เริ่มศึกษานี่ก็ยังดีจัดเป็นม้าอาชานัยประเภทที่สี่แต่พวกไม่ศึกษายังไม่ศึกษากแสดงว่าโอ้อันนี้คงต้องไปรออีกหลายชาตินี่ ก็อย่างน้อยเป็นพวกที่สีก็ยังดีเนาะถ้าจะดีกว่านั้นก็ไวๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีหลายคำถามพอดีช่วงสีห้าวันนี้นะครับมีชาวญี่ปุ่นที่เคยอุปถัมภ์ขจุนกันมาสมัยที่เรียนอยู่ที่นู่นนะครับก็ผู้ชายก็เป็นคุณตาอายุเจ็ดสิบเจ็ด คุณยายก็ยุ74นะครับก็มาเที่ยวที่เมืองไทยก็พักอยู่ที่บ้านนะครับก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้ถ้าบุญบารมียังมีอยู่ว่จาจะพามาที่นี่แล้วก็มากราบนมัสการพระจากรนะครับเขาคิดว่าพรุ่งนี้คงจะได้เรียนถามธนะรรมก็คงจะพอได้อุปธรรมค้าจุนกันต่อไปนะครับ mm hmm. คิดว่าค ง, คงจะเป็นวาสนาที่เคยพึงมีต่อกันมาก่อนนะครับก็ตั้งใจว่าจะ mm hmm. พามาพรุ่งนี้ ถ้าทุกอย่างไปเป็นตามแผนที่วางเอาไว้นะครับวันนี้จ่ายน้อยค่าค่าน้ำมัน1000กิโลแต่ได้นั่งด้านหน้าสุดเลยนะครับรู้สึกมีปิติรู้สึกดีใจมากนะครับกลับขอบพระคุณวอาจารย์มากครับผมอาจารย์ต่อย่างคำถามที่น้องก็ถามว่ายุ่งมากๆผมก็จะลงถามบ่อยแต่ผมจะตัดฟันพงไปเลยว่าให้ท่อง1บท สัก่วทัเน่ได้ได้สายปฏิจจะหรืออิทัพปิยตาเนี่ยสี่วันทัพเนี่ยท่องให้คล่องเลยปฏิจจาอิทัพปิยตาเราก็จะบรรลุทำได้ใช่ใช่ได้ใช่ได้ใช่อริยะญายธรรมเนี่ยธรรมะที่ทาให้คนเป็นอริยะกลับนพสกาดท่านอาจารย์ ขอการเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องกรอบของจากขะซึ่งผมเองก็ประสบปัญหามาตลอดเวลาตั้งแต่ปฏิบัติธรรมแต่หนึ่งปีที่ผ่านมานี้ไม่มีปัญหาเรื่องจากขะจากคุณภายนอกเลยก่อนที่ปฏิบัติธรรมที่นี่จะถูกญาติทั้งหลายนะืพี่น้องทั้งหลายตอบว่าต่อขานว่าปฏิบัติธรรมเกินกว่าเหตุแล้วก็ทําบุญมากเกินไปวันหนึ่งจะต้องไม่มีกินนะ ผมก็ไม่ไม่น้อยใจอะไรเพราถือว่ า, าสิ่งที่ผมทํา <ำ S 2> ผมก็ทําจากเงินเดือนที่พระบทัทสําเด็จพระเจ้าอยู่ให้มาก็แบ่งเอาไว้ทานส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งเอาไว้ทําบุญนะก็ประสบปัญหามาอย่างเคยกับเรียนพระอาจารย์ว่าไปทําบุญที่วัดต่างๆเนี่ยวัดก็จะยึดตัวไว้สเป็นเกฑตไปวันนั้นวันนี้ก็ว่าไปวัด น, นี้วัด น, นู้นก็ว่าเพราะว่มาแถวบ้านมีวัดอยู่เก้าวัดนะผมก็ไปทุกวัดไปบ้านทาทุกวัดนะฮะไปทุกวัดผมก็ไม่ได้เกรงใจใครพปกติชาวบ้านจะวัดใครวันมันฮะ ผมไม่ผมไปทุกวัดถึงทั่านมาที่นี่ปีนี้ทัานปีปีกับสามเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนวัดเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมก็มาตรวจสอบดูกําลังของผู้ทุชนนะตัวสูตรตรวจสอบดูกําลังของเซกขาว่าตัวเองนั้นกําลังต่างๆนั้นอะไรที่ยังบกพร่องอยู่นะก็เห็นว่าสุตตะน่าจะยังน่าจะบกพร่องอยู่ในความรู้สึกตนเองอเราไปประมาณว่า เราก็อ่านหนังสือหลายรอบแล้วคําถามที่ญาติธรรมทั้งหลายถามก็พื้นๆไปประมาทคําถามเหล่านี้ก็ทําให้สุดตะร่อยลงไปผมก็เปลี่ยนเป็นมาเรียบธรรมทุกๆทุกๆวันหยุดคือทุกๆครั้งที่มีโอกาสมาที่นี่พระอาจารย์ก็เห็นอยู่แล้วทีนี้มาเรื่องของจาคะพระอาจารย์ครับผมก็ตั้งใจทําทำบุญที่ผมเรีละตามกําลังเนี่ยำำเ อ, อ ปีนี้ทั้งปีผ่านมาญาติญาติาก็ไม่มีใครว่าเนะี่ยเพราะว่าผมทำบุญมากเกินไปจนไม่มีตะกินอนะไรเงี้ยเนี่ยเขาคงเห็นผมทานอะไรไม่มากนะคนรู้ผมไม่ทําบุญหมดนะจริงๆผมทานง่ายๆผมทานผมทําอาหารเองอยู่คนเดียวในสวนนะผมก็ทําง่ายๆคงผมมง่ายๆทานต้มปลาผมก็ต้มน้ำปลาปลาใส่เกลือเท่านั้นผมไม่ปรุงรสอะไระครับกินก๋วยเตี๋ยวผมก็ไม่ใส่ผมอะไรทั้งนั้นผ ม, มทานเลยถือว่าอร่อยแล้วก็ตามนั้น ก็ปรากฏก็ถูกต่อว่าจะพี่น้องมากแล้วว่าวนอยากแค่นี้ขด uh huh. ยางเพราะว่าไปทําบุญหมดที่ปรากฏตอนนั้นผมก็มาคิดว่าเ อ, อคงถูกของเขาในส่วนหนึ่งถึงเขาพูดในญะาติธรรมเพราะผมทําไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไร uh huh. ทําไปเพื่อปรารถนาสิ่งที่มันเป็นด่างพลอยนั่นเองอ uh huh. แต่ทุก ว, วันนี้ไม่ใช่ uh huh. พอ ร, รู้แล้วว่าจาคะคืออะไร uh huh. ตอนนั้นไม่รู้ว่าจาระค่ไม่รู้ว่าจาระค่ก็ทําไปนะทําจนพระมังวัดก็บอกว่า ศรัทธากับปัญญาของโยมมันไม่เท่ากันโยมทําเนี่ยทํำไปด้วยศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาหมายความว่าทํามากเกินไปพระเอาไปใช้ประโยชน์เช่นทําทไปแล้วรู้ไหมว่าพระจะไปทําอะไรองี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็แล้วแต่ท่านทำแล้วแล้วกันท่านจะไปซื้อหวยซื้อเบอร์ก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมผมผมก็ไม่เคยต่อว่าญาติญาตินะครับไม่เคยต่อว่าหรือบางคนที่มาขอเยืยเงินก็อาจจะว่าทําบุญเต็มไรือยมุนตานะ่ย ให้ผมกู้ไปดีกว่ายังได้ดอกบางอะไรคือผมก็บอกว่าอันนั้นผมรับเป็นพินานะแต่ไม่ใช่วันนี้ที่เดื่องถามพระอาจารย์ว่ากรอบของจากฆ่พระอาจารย์ครับผมที่บัดดังพระอาจารย์งคงจะพอมองเห็นที่ผมมาไปาำที่นี่ผมก็พยายามดูกรอบของจากฆ่ว่าผมอยู่ในกรอบของจากฆ่พอสมควรหรือยังนะฮะว่าละตนีได้ไหมออหรือว่าอย่างครั้งลังสุดนี้จากการถวายหนังสือผมก็ไปไข้ก ล, ลัวรู้อ่อนนี้ กรอบของจากระมันอยู่ในกรอบไหมที่เออเราสามารถจะกว้างออกไปแค่ไหนเราก็รับกรอบของจากระได้ด้วยใจเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่าผมหมดไปตั้งหลายมือไม่รู้สึกเหมืนไปตั้งหลายพันอะไรเงี้ยก็ยกังติธรรมคือพยาผมก็ถามว่าพ่อรู้สึกยังไงผมบ อ, อกรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทําตรงนี้นะครับพระอาจารอยากให้พระาจอธิบายคำว่ากรอบของจากระเนี่ยเหมืน มันมันอยู่สักตรงไหนนะฮะตรงไหนของกับจีบัตซึผมเองก็พยายามทําที่ให้ละตะนีละจากค้าได้ไม่มาธยัดเกิดส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะจากค้าก็ส่วนหนึ่งทําบุญส่วนหนึ่งให้รู้ว่าอ น, นี่ทําบุญเพื่ออะไรทําอย่างไรอะไรเงี้ที่ก็เลยมาลองดูว่ากําลังในส่วนของจากค้าเนี้ยเรามีเพียงพอหรือ ย, อยังครับก็เย mm ่างถามเพื่อนในส่วนนี้ ก็จาคะผู้เจ้าก็กัดอย่างในเรื่องของอา น, นิสงส์ห้าประการของนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรลนผู้ใดก็บอกว่าให้มีจาคะตามสติกำลังนะหรือในหนังสือควบูมิก็จะบอกว่าแบ่งปันของตามสามารถตามกำลังนี่สองพระสูตรละ หรือประศูนที่สามจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายทรัพย์4ฐานะอันดับแรกเนี่ยเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรน่ฐานะที่หนึ่งฐานะที่สองใช้ทรัพย์ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายอันที่สมเนี่ยให้แบ่งปันกับสังคมญาติมิตรช่วยชาติอันที่4ให้แก่สมณพราม ดังนั้นให้กับตนเองกับครอบครัวเนี่ยถึงสองส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งให้กับสังคมอีกส่วนหนึ่งให้กับสมนัพราหมณ์นะนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งและก็บอกว่าถ้าทรัพย์หมดไปโดยสีฐานะเนี่ยก็ให้มีความสบายใจว่าทรัพย์หมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วไม่ใช่ไปเล่นการบระนาลหมดไปกินสุราแล้วหมดนะไป ทำมาใบยมุกแล้วมันหมดนะอันนี้ชื่อว่าเป็นเหตุผลในการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องก็แง่มุมวันเนี้ยหรือจ่าค้านในแบบโสดาบันเป็นผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละนะจำแนกทานอยู่คลองเรียนนี่มุมจ่าข้าของโสดาบัน และมุมของทานจาคะที่ละเอียดปราณีขึ้นไปก็คือการที่เรามีสินก็จะจัดเป็นมหาทานชั้นเลิศเป็นอภัยทานอเวลทานอภยปาชาทานเห็นนะเป็นทานการให้เหมือนกันเป็นทานการให้คือให้อภัยให้การไม่เบียดเบียนให้การไม่พยาบานี่ก็เป็นทาน และตัวสมาธิก็เป็นศิลในตัวเพราะขณะที่จิตตั้งมั่นข้อปฏิบัติผิดทางกายวาจาก็จะไม่มีขึ้นถ้าพูดถึงทำสมาธิอย่างเดียวก็เป็นได้ทั้งศิลทั้งทานในตัวเสร็จเลยเพราะทานนะก็สมบูรณ์โดยศิลศิลก็สมบูรณ์โดยสมาธินะก็โยงไปกันได้ นี่ก็เป็นมุมของทานการให้นะส่วนผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่ากันหนึ่งเนะี่ยแต่คนหนึ่งเป็นผู้ให้อีกคนไม่เป็นผู้ให้ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของลาบสุกยศวันนะต่างๆที่อาจจะเหนือกันบ้างในความเป็นเทวดาในความเป็นมนุษย์และในความเป็นนักบวช แต่โดยพื้นฐานก็คือเสมอกันในระดับหนึ่งแต่ผู้จ้าบอกคนผู้ให้ก็จะข่มคนผู้ไม่ให้ด้วยฐานะห้าประการนะด้วยวันนาที่ดีกว่าด้วยยศที่ดีกว่าด้วยสุขที่ประณีตกว่าอย่างนี้อืการมุมการให้ทานเป็นอย่างนี้คอันนาสนะครับผมอีกประเด็นที่สองจะผลการเปริดปัิธรรมครก็กลาวเป็นพระอาจารย์อยู่บ่อยๆเลือกกัน ปฏิบัติสอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ผลกรรมก็เกิดขึ้นติดต่อกันเรื่อยมาเมื่อวานก็บังเกิดขึ้นอีกเป็นข้อที่สองซึ่งไม่เคยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ซึ่งผมขอมาตั้งแต่ปีตุลาหนึ่งตุลาห้าสแล้วว่าถ้าผมเสียชีวิตลงนะห้ามขอพระราชทานพินศพให้นำศพผมไปเผาเลยถ้าเกิดสถานที่ผมมอบไว้เขาไม่รับนะเพราะว่ากรณีไม่รับมีอยู่หลายกรณีนะ เป็นแจ้งไม่ทันร่างกายเสียหายมากอะไรอย่างนี้นะเขาจะไม่รับซึ่งญาติธรรมครอบครัวผมเนี่นะก็ยังรับไม่ได้รับไม่ได้นะว่าจะให้ให้เผาเลยรับไม่ได้แต่พอปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็ญาติธรรมครอบปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยกันเมื่อวานก็มีการนําเรื่องนี้มาพูดขึ้นมาอีกตัวที่ผมไม่ได้คิดว่าจะพูดเนะี่ยก็เลยบอกว่าสิ่งที่ขอไวนะ้จะทําให้ทั้งทั้งครอบครัวจะทําให้ ถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าผมถ้าผมไปโปรงพยาบาลไม่ได้ไม่ให้ไม่ต้องพาผมไปนะผมขออยุ่เฉยๆถ้าผมไปผมไปเองถ้าหามไปไม่ต้องไม่ต้องผมจะอยู่อย่างนั้นปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนั้นเพราะผมมั่นใจแล้วว่าทางสุภิมุติในข้อที่สามนั้นผมมั่นคงผมพอสมควรผมมั่นใจผมมากขนาดนั้นพระอาจารย์มั่นใจมากว่าจะหลงทําการลนี้มีโอกาสเหมือนกันแต่น่าจะน้อย ความเจ็บปวดต่างๆผมก็ลองทนดูนะเช่นถอนฟันจากไม่ดนแล้วกลับบ้านทคนยกโดยไ ม, ไม่ไม่กินยาเลยเนะี่ยดูซิว่าผมจะปวดทนไหวไหมถึงบ้านผมก็ปกติก็ไม่มีปัญหาได mm hmm. าที่ก็เลือดออกจำนวนมากออกก็ออกเป็นของธรรมดาที่เรียนพระอาจารย์ว่าญาติธรรมก็ยอมรับว่าถ้าผมเสียชีวิตลงนั้นจะไม่ให้ใครรบกวนเลยแล้วก็จะนาศพไปฝังในวันรุ่งขึ้น โดยไม่มีการสวดม่มีการลดน้ําศพไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นแต่รู้สึกจะมีข้อแม้จุนิดว่าขณะที่เผาศพจะขอให้พระสวดด้วยอันนี้ก็จะขอต่อไปเพราะว่าอันนี้เขายังเข้าใจผิดอยู่เล็กน้อยอยู่นะว่าสวดหน้าศพนะครับพระอาจารย์ <S <S <S แล้วเขาก็เลยมีขอว่าแต่ญาติที่ทำที่มางานศพคือญาติที่มางานศพเนี่ยจะให้นั่งสมาธิหรือให้อยู่เฉยเฉยแล้วจะให้กินอาหารว่างสั่งจัด ก, การบินไทยะ ผมกลรับได้ทุกคนนะท่านจะแจกทั้งกล่องเลยนะฮะคนละกล่องละกล่องเลยแต่ให้นักไม่เฉยแล้วก็กลับบ้านไปวันลุกขึ้นก็นมาเผา mm hmm. แล้วก็จะซื้อนำหนังสือจากวัดเอานี้ไปแจกถ้าผมเผาผมนะฮะเอาผมไปแจกหรือทุกคนที่เสียชีวิตในครอบครัวผมทําอย่างนี้ทั้งหมดนะพระจะรยเสียชีวิตวันนี้ mm hmm. พวกนี้ก็จะเผาแต่ไม่ใช่ว่าไปยึดถือหลักของศาสนาอื่นมาไม่ใช่เนะี mm ่ย hmm. คือเผาวันนี้พวกนี้ก็ตายวันนี้พวกนี้ก็เผา อันนี้ผมเห็นว่าเป็นผลจากการเบรคพรมที่พระเจ้าว่าสี่อย่างซึ่งปฏิบัตินั้นพึงหวังอะไรจะได้ตามนั้นผมเรียนพระอาจารย์มาขนาดนี้ถ้าผมจนต้องเสียชีวิตลงในขณะ น, นี้ผมก็ไม่ห่วงอะไรแล้วเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผมเรียนถามพระอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องจาระนั้นผมมั่นใจว่าผมบริสุทธิ์ร้อยเปอรับตั้งแต่ข้อแรกไปถึงข้อสุดท้ายผมมั่นใจว่าผมปฏิบัติได้บริบูรณ์แล้วในกําลังของภาคเศขะในกําลังของพลุชนส่วนอีกสี่ของ พระยาเจ้านั้นก็ก็กระทําอยู่แล้วก็กลับพระอาจารย์วันผลจากกา ร, รเรทธทําอย่างแน่นอนเพราะว่าผมไม่มีคุณงามความดีอะไรมากมายแต่ผลจากการเรทธรรมเร ท, ท่านั้นโดยที่ผมไม่สนใจใครถ้าอีกประกาศหนึ่งจะเรียนถามพระอาจารย์ขนานี้ผมก็อยากจะปฏิบัติในสิ่งของที่เรียกว่ามานะสังยน์ในข้อข้อสูงขึ้นไปนะว่าตัวมานะทั้งหกเนี่ยซึ่งกระดุกกระดิกไม่ได้เนี่ยจะลองปฏิบตัติต่อไปที่ว่า จะกระทำได้มากแค่ไหนเช่นมาวัดเนี่ยก็จะไม่คุยธรรมะกับใครมากนักเพราะเดี๋ยวว่าจะรู้มากไปก็ไม่ไม่ไปคุยหรือว่าบอกไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสมอกันอะไรนี้ก็จะไม่เขานั่งอยู่ทางนี้ผมก็จะอ้อมไปทางด้านโน้นแต่ผมมั่นใจผมไม่กลุ่มนี้เขาจะต้องคุยกับผมผมก็จะอ้อมไปทางด้านโน้นเดินจะกลมไปทางด้านโน้นหรือว่าเขายืนคออยู่นี้ผมแน่ใจแล้วว่าจะคุยกับผมเขาอ้อมไปลานตรงกลมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมก็ว่าผมจะเป็นวิธีทางปฏิบัติในเรื่องของมณาะาได้ตัวหนึ่งไหมครับอาจารย์เป็นแง่มุมหนึ่งไหมครับที่จะเว้นมณาะาไปก็แล้วแต่เหตุนะเนาะตามไปตามเหตุถ้าเราเราสร้างอะไรขึ้นมามันก็มีการสร้างขึ้นมา แต่เราก็ก็แล้วแต่เหตุนะถ้าปฏิสันถานแล้วมันดีก็ก็เกิดประโยชน์ปฏิสันถานแล้วมันเริ่มฟุ้งซ่านหรือว่าจะทําให้อ่ามีปัญหาแล้วก็ก็หลีกก็ลดลงนะปัจจัยของการที่จะละตัวมานะเนี่ยครับปัจจัยหลักๆหรือว่าทำหลักๆที่จะมานำปฏิบัต ทุนในข้อไหนครับนะอย่างอานาปามันก็ละได้หมดนะโยมเราก็จะเล่นอานาป่าของเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพ ร, รเาะอนาปานัสติก็เป็นเหตุให้ได้วิชา ว, วิมุติขึ้นมานะมาน้าต่างๆมันจะถูกละไปโดยอัตโนมัติของมันการที่จิตจะเข้าไปเกาะอาศัยแนวลมต่างๆตัวมาน้าต่างๆมันก็ต้องการการปรุงแต่งจิตก็ต้องปรุงแต่ง ดังนั้นถ้าเราหยุดความคิดได้เนี่ยตัดความคิดตัดการปรุงแต่งได้มาน่ามันจะถูกละไปโดยอัตโนมัติของมันจะปรุงอะไรขึ้นมาก็ตามเราวางปรุงมาอย่างนี้วางปรุงมาอย่างนี้ระวางอย่างเนี้กลับ ข, ขอบคุณครับขอโอกาสค่ะพระอาจารย์อกลับเย็นถามว่าการที่เราจะนําศาสนา อ, อนําพุทธวจนะเนี่ยกลับมา สู่ประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างให้โดยวิธีที่ที่เร็วขึ้นเนี่ยก็คือถ้าฆร า, าวาสแสยโยมที่รู้จักพุทธวจนะเนี่ยเลิกส่งเสริมหรือสนับสนุนภิกษุที่ไม่ปฏิบัติตามอริยวินยัยอันนี้เนี่ยยมคิดว่าเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยพระสงฆ์ที่ที่ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ทราบหรือไม่ทราบก็ดีว่าว่าตนเนี่ย ไม่ได้ปฏิบัติตามอริเวนัยที่ควรปฏิบัติจะค่อยๆลดน้อยลงโดยอัตโนมัติถูกัหมคะคือยมเข้าใจว่าเราไม่ต้องไปเยื่อใหญ่กับท่านคือเรารู้ขอให้เรามั่นคงศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บัญญัติขอ้อหลักธรรมหลักวินัยให้ส่งเป็นตัวอย่างเป็นเป็ น, เ, ปนเอ่อเป็นตัวแทนในการที่มาบอกสอนหลักธรรมหลักวินัยที่ถูกต้องอแต่ในเมื่อท่านไม่ได้ทําหน้าที่ของท่านเนี่ย เราก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกว่าคือด้วยจิตเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นท่านอยู่แล้ว <S <S แต่เรามีเจตนาว่าเราไม่ไม่สนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่ท่านกำลังปฏิบัติจจจจอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราอาจจะมีทีการสื่อสารหลายๆอย่างเช่นเรางเงียบคนอื่นทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราไม่ทาถ้าเราทรงกัลยาณวัตรไว้มีคนมาถาม เราว่าทําไมเราไม่ทําก็อาจจะเป็นจังหวะที่เราให้ใช่ธรรมะกับให้ธรรมะของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับกับผู้ที่ไม่ทราบ <c oughs> ใช่ไหมคะคือสงเหล่านั้นก็จะหมดไปลดน้อยลงไป <c oughs> ก็คือญาติโยมก็ต้องช่วยช่วยกันใช่ไหมค <c oughs> ะอีกคําถามหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเจอพระสงฆ์ในตามสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นการสมควรไหมที่ญาติโยมเนี่ยจะเข้าไปถามธรรมะอย่างเงี้ยค่ะ Mm hmm. ได้ได้นีมค่ะอืมก็ดูตามการตามโอกาสอันสมควรอย่างถ้าท่านบินถบาทอยู่เนี่ยอย่างพายยะไปถามผู้เจ้าตอนบิณถบาทผู้เจ้าก็บอกเออพายยะเรากําลังบิณถบาตคอยก่อนท่านก็เดินหนีบินต่ออย่างเนี้ยก็ดูตามเหตุนะ อย่างพระเจ้าก็ไม่ให้ยืนแสดงธรรมนั่งไปในยานนะไม่แสดงธรรมนะมนก็มีมีหลายจุดที่ที่บอกว่าอย่าแสดงธรรมให้คือโอกาสกาละมันยังไม่เหมาะสมแล้วก็ก็ดูกาละเอานะถ้าเกิดว่าพระอยู่ที่วัดเรามีโอกาสได้ไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับเพื่อนๆ เ, เนี่ยแล้วไปเจอท่านที่วัด Mm hmm. ờ, ใ, นในขณะที่ท่านไม่ได้ทำกิจอื่นอย่างเงี้ย uh huh. เราสามารถที่อาจจะเข้าไปสอบถามธรรมะว่าท่านธรรมะอยากสอนญาติโยมยังไงก็ได้ไ ด, ได้เจอสมณะก็คือผู้เจ้าให้เข้าไปซักไซส์ไล่เลียงสอบถามตนะวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายขี่ไหนะด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ย่อมบรรเทาความสงสยัยทั้งหลายที่สงสัยนี้ให้คลายลงไปได้ กา บ, บ, บนมันสการพระอาจารย์กะพอดีจะต่อจากคำถามของคุณลุงกับน้องผู้หญิงพอดีอันนี้ก็คงจะบอกกล่าวเพื่อทราบค่ ะ, คะก็ได้มีโอกาส เ, เจอคนรู้จักนะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำธุรกิจแล้วก็มีพระพิพพสุทธิ์รงรูปหนึ่งาฝากปักใจให้มาลงทุน ทำธุรกิจเจ็ดล้านบาทอาซึ่งโยมฟังโอโหเยอะนะคะเจ็ดล้านบาทาสําหรับเหมือนกับมาเป็นหุ้นส่วนนะฮะแต่ว่าเราก็ให้โยมไปลงทุนให้อะไรให้เหมือนกับลงทุนธุรกิจเนี้ยประมาณนี้โยมฟังแล้วอย่างก็อืมก็เลยอยากจ ะ, ะพูดถึงเรื่องของจาคะนะคะเที่ว่าแบ่งเป็นสี่ส่วนอส่วนหนึ่งที่จะเอะ ถ, ถวาย ให้กับพิสุส่งนะคะก็อยากจะมีความเห็นเพิ่มเติมว่าพิสุส่งคงต้องเลือกเช่นกันว่าพิสุส่์ที่เราจะถวายทานทำบุญเนี่ยค่ะก็คงต้องเป็นพิสุส่์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงในพระอริยพินัยที่พระพุทธเจ้าท่านได้กําหนดไว้นะคะไม่ใช่ว่า อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะ ว, ว่าจะไปทำบุญกับพระวิสุธิสงฆ์ทุกรูปเดี๋ยวเกรงว่าจะมีเงินเยอะแยะไปลงทุ น, นเต็มประเทศหมดนคะคะมาเสริมตรงจุดนี้ะนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องที่สองก็คื อ, อ, อจากตะกี้ที่พูดถึงเรื่องของว่าถ้าจะทำการละนะคะโยมก็เลยมีความคิดว่าอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะพระสูตรที่จะทาเป็นซีดีอะค่ะ ที่จะแจกที่จะเปิดในงานางานงานศพที่ว่าเวลาญาติโยมเข้ามาใช่ไหยฮะถ้าไม่อยากอาโอเคว่าเชื่อว่ า, าคนที่ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าแล้วก็ศึกษาพุทธวจะนะคงไม่อยากที่จะมีพระพิสุทธง์ส่งมาสวดหน้าศพแต่อยากจะฟังพระสูตรของพระพุทธเจ้ามากกว่านะก็เลยอยากจะขอพระานะอาจารย์ชี้แนะคัดเฉพาะพระสูตร ที่จะมาอ่าน uh huh. เพื่อที่จะอัดในซีดีอะค่ะแล้วก็เปิดในงานาสวดศพแล้วก็โยมจะได้จัดทําเจ้าค่ะอืมโ uh huh. ยมจะได้หาคนมาอ่านแล้วก็จัดทําเวลาใครจะไปงานศพอะไรอาจจะซื้อหนึงซื้อไปแจกอะซีดีไปเปิดงานศพ น, นะเปิดให้ทั้งทู่ที่มาในงานได้ฟัง uh huh. เพื่อแทนการสวดหน้าศพเจ้าค่ะอพราะว่ากราบขอ ความเมตตาพระอาจารย์ช่วยหลังจากนี้ก็อาจจะช่วยว่าน่าจะมีพระสูตรในพระสูตรไหนเพื่อที่จะมาอ่านแล้วก็ทําซีดีเฉพาะเจ้ากายอมจะได้ทําป็นเฉพาะไว้แจกจ่ายพระสูตรเกี่ยวกับคนตายคนใกล้ตายอะไรเนี้ยได้รวบรวมไว้พอสมควรเราจะไปกราบขอพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะได้หาคนอ่านอได้ ตึกทั้งหลามมีคนถามเยอะแล้วก็บางทีมันจะกระจัดกระจายยังไม่ได้มีการทำเป็นแผ่นไว้เฉพาะเพื่อไปเปิดหน้าสพตัวเองใช่แบบตายแล้วก็ยังทิ้งอันที่ส่งไว้หน่อยเลยในกรณีที่ที่ผู้กัลนี้นะคะขอเติมอีกหนงอยอย่างยมเองอะค่ะอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ไม่ได้บอกว่า คือลูกๆอยู่ที่เมืองไทยหมดอ <evet. S 2> แต่รู้ว่าตัวเองปฏิบัติธรรมะอยู่ต ล, ลอดเวลาอ <evet. S 2> ให้ให้กินทานอยู่ต ล, ล, ล, ลอดเวลาทีานี้ว่าคือไม่ได้ยึดตรงนู้นมาตรงนี้ว่าจะต้องมีงานศพอะไรเพราะเราอยู่ต่างประเทศ <evet. S 2> คือคือ ท, ท, ทุกคนนี้เป็นศาสนาพุตรน้อยมากที่จะอยู่เป็นพุทธทีนี้ว่าคือถ้าเกิดหากเราตายตรงนั้นถ้าเกิดไม่มีศาสนาพุที่ต้องเผาเราหรืออะไรเนี <evet. S 2> ้่ยธรรมะที่เราทํามาตลอดเนี่ย ส่งสื่อไหมคะพระอาจารย์อยากที่ว่าเราตายไปแต่เราสมาธิตลอดเวลาอะไรอย่างเนี้ยค่ะหมุนทานที่เราสร้างมาถ้าเกิดเราตายไปแล้วไม่มีคือพระพุทธพระพระธรรมพระสงฆ์ที่จะต้องไปตอนที่เราตายไปเผาเราอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวเนี่ไยไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโยมเคยทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นปฏิบัติมั่งแปดผลของมั่งแปดก็ต้องส่งผลค่ะเนี่ย ยมยมไม่ได้ยึดอะไรทั้งนั้นค่ะไม่ได้ยึดธรรมะว่าจะต้องไปอะไรก็เกิดหากตายไปก็คือตายไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะอคือเผาก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันตายตรงไหนแต่แบบธรรมาตลอดครับอย์หรือพระาจเราไปฝังก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจารยรู้จะลงน้ำหรือเ่าคับอาจารย์กลขอการ์ดค่ะพระอาจารย์ต่อจากคําถามของโยมพี่กุ้งนะคะ ยอมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ากำลังคิดว่าวัดในเมืองไทยเนี่ยจะยอมรับไหมคือถ้าเราเอาศพไปไว้ที่วัดเขาแล้วเราบอกว่าเราต้องการทำอย่างนี้เนี่ยยมงไม่แน่ใจว่าทางวัดเขาจะยอมให้เราทำพิธีที่เขาไม่เกี่ยวกับวัดยอมรับไม่ยอมรับไม่ทำเราก็ย้ายวัดไม่สนใจอะไรก็ไปถามพระวัดก่อนว่ารับไหมวิธีอย่างนี้ ไม่ต้องรับอะไรก็เราบอกเราจะจ้างแค่นี้อ่ะก็เขาก็เป็นเรื่องของเงินทองอยู่แล้วจ่ายค่าสถานที่จะมาเกี่ยวอะไรล่ะใช่จะคิดเท่าไหร่ก็คิดไปสิรูปแบบอย่างเนี้เราจะเอาอย่างจะมาสวดถ้าไม่เอาเอาค่าเหนื่อยเอาค่าเหนื่อยจ่ายไปจ่ายแต่ท่านไม่ต้องไม่ต้องมาสวดแตาท่านไม่ต้องมาสวดไม่เหนื่อยด้วยท่านก็ชอบแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือ หนังสืออริยวินัยอะคา่ะโยมมาไข้ควรเรื่องนี้อยู่หลายครั้งโยมกําลังคิดว่าการที่โยมส่งไปนําวัดกันดันกันานามต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสาที่จะโดนบ้างไ ป, ไปไปไปถึงพระที่ศึกษาบ้างและไม่ศึกษาบ้างหรือจะเก็บเข้าตู้บ้างโยมมาพิจารณาว่าสมมติว่าโยมมีหนังสืออยู่อยู่อยู่จำนวนหนึ่งแล้วโยมหรื อ, รอกระสุนอยู่อยู่กล่องหนึ่ง การที่โยมยิงออกไปเนี่ยโยมอยากที่ทุกกระสุนที่ใช้มันต้องโดนก็เลยคิดว่าเอ๊ะทางวัดพระอาจารย์เนี่ยโยมเข้าใจว่าน่าจะมีพระขอหนังสือมามากถ้าโยมฝากไว้กับพระอาจารย์เนี่ยน่าจะโดนแน่แน mm hmm. เพราะว่าพระที่ขอมาเนี่ยท่านศรัทธาในพุทธวจนะ mm hmm. แล้วท่านก็ต้องอยากศึกษาอยู่แล้ว mm hmm. เพราะนั้นถ้าโยอาฝากหนังสือไว้ที่นี่เนี่ยน่าจะไม่พลาด mm hmm. หรือว่าหรือว่าเาว่าถ้าโยมส่งไปเลือกส่งแต่ละจังหวัดจังหวัดไปหาเจ้าวาดเนี่ยบางทีอยาก จ, จะไปเจอเจ้าวาดที่เขาอาจจะรับแะวางไว้หรือว่าไม่ได้อ่านโยมก็เลยคิดว่าจะไปมันน่าจะได้ประโยชน์ดีมากกว่าไหมถ้ามาฝากไว้ที่วัดพราานะสารีครับแล้วแต่มันแต่ละคนไปช่วยกระจายก็ได้เพียงแต่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนสักนิดหนึ่งนะ คือตอนนี้โย่เนื่องจากวัดเดยอะมากโยมก็เลยใช้วิธีตั้งอธิษฐานจิตขอให้ผู้ได้รับเนี่ยเป็นเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ได้ศึกษาจริงจิตก็อาจจะใช้วิธีวิธีนี้นี้ผผสมผสมกันไปอาจจะได้ได้พระสงฆ์ที่ดีเข้ามาด้วยใช่ะคะเราปูพรมไปเนี่ยถ้ามีแต่ตําราของเราทั่วประเทศเนี่ยเด็กเขาก็ต้องอ่านใช่ค่ะโยงก็จิ้มสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างอีสานบ้างแขบชายแดนบ้าง ไปไปดีแหละที่แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเดี๋ยวพอดีบ่ายนี้มีมีเนนจะบวชเป็นพระค่ะโยมกับโยมแม่ต้องต้องข อ, อ, อไปก่อนออก็เลยจาอนุญาตขอถวายขอพระอาจารย์ก่อนได้ไหมคะเราจะขอกลับ สื่ไหม อะไรยมถวายของกับพระก็ให้กับพระที่แล้วยมจะให้กับอะไรล่ะเออนั่นแหละจะมาครั้งแรกมากี่ครั้งก็ตามมายมให้ของกับคนเนี้ยยมจะให้กับคนนี้มะเออเหมือนพื้นฐานนะ่ะธรรมดายมยื่นให้เขานะ่ะนะอืแค่นั้นแหละ ม, มันไม่มีพิธี อะไรมากมายหรอกเนาะ นมัสการถหลวงพออ่ออยากจะถามพระอาจารย์นะคะพอดีตอนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เหมือนสิ้นหวังท้อแท้ในในโลกอะไรอย่างี้ค่ะแต่ก็ยังมีจุดเป้าหมายว่าอยากจะประสบความสำเร็จแต่ว่ายังท้อแท้ทำอะไรก็ก็ยังสำลีเทเมาอะไรงี้ค่ะ เมือนอยากจะประสบความสำเร็จแต่ก็มองแค่ว่าจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จแต่ไม่ดำเนินชีวิตไปในแทะแนวทางที่ถูกต้องอไเงี้ยค่ะไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามอยากจ ะ, ะให้พระอาจารย์แนะนาว่าจะมีคำสอนของพุทธเจ้าที่จะเตือนให้สติหรือว่าพระสูตรไหนที่จะให้คำแนะนำกับเขาได้บ้างะคะ่ะในกรณีนี้เ ว, วียงเวียงไปฮะเดี๋ยวมันตรงสักพระสูตรนะ คือมันไม่มีใครรู้หรอกว่าพระสูตรไหนมันจะเหมาะกับคนไหนนะเราก็ได้แต่เอาพระสูตรที่พระเจ้าแนะนําบ่อยสอนบ่อยนะมาให้เขานะซึ่งมันก็กะเกณฑ์ไม่ได้หรอกนะเพราะความที่สาวกเราก็ไม่มีความสามารถในการรู้ความยิ่งละหย่อนแห่งรีย์ของบุคคลนะก็จะมีแต่พระเจ้าผู้เดียวนะที่สามารถวางตําแหน่งธรรมะลงไปอ่ะคนนี้เอานี่ปุ๊บบรรลุธรรม องนี่บรรลุธรรมนะดังนั้นวิธีเลือกก็คือเลือกเอาพระสูตรที่พระเจ้ามองแล้วพระองค์ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักรุแล้วก็มองแล้วว่าสัตว์ตั้งโลกเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างพระองค์ก็วางหลักธรรมะไว้หมดแล้ว <c oughs> ธรรมะอะไรที่พระองค์สอนมากสอนบ่อยแนะนําว่านี้เป็นปฏิปทาที่สะดวกนี่เป็นมรรควิธีที่ง่ายโยมก็ต้องเอาตรงนั้นไปให้เขาก่อน เราก็ได้รวบรวมหนังสือเหล่านี้มาแล้ววิเคราะห์มาแล้วนะอย่างที่โยมคิดอย่างนี้เราจะทํำยังไงก็คิดมาแล้วแล้วภายใต้ขีดจํากัดของสาวกแค่นี้มันทําไม่ได้จะทํำยังไงนะตัวผู้ชาเองก็รู้ว่าสาวกทําไม่ได้แต่พระองค์ทําได้และพระองค์จะวางอะไรไว้วางหลักทําไว้และสรรเสริญเอาไว้ชีว้ว่าอันนี้เลิศอันนี้ดีดี ด, ด, ดีหน้าที่โยมเนี่ยรู้หลักการตรงนี้แล้วก็หยิบเอาพระสูตรเหล่านี้ไปนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะทําได้นอกนั้นก็ไม่มี ส่วนฝั่งของเขาก็คือเป็นฝั่งของเขาและ่ะฝั่งผู้ให้ให้ดีที่สุดแล้วาาตามเหตุปัจจัยเหลือฝั่งผู้รับและ้ะอินทรีย์เขาจะมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องของเข า, าตรงนี้เวลาเราให้ธรรมะใครก็จะไปคาดหวังว่า เ, เขาต้องดีต้องรู้ธรรมะต้องหลุดพ้นก็ไม่แน่นอนก็ทำเหมือนตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอก เป็นถึงผู้เจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะพาคนไปได้ทั้งโลกนี่ปริภาโชคก็มาเยาะเยะ้ยผู้เจ้าผู้เจ้าแสดงธรรมเก่งนักให้คนหลุดพ้นทั้งโลกหรือเปล่าหรือครึ่งโลกหรือหนึ่งในสามของโลกผู้เจ้าก็นิ่งก็ทำบ้ามันยากอยู่แล้วนะมันสําหรับผู้มีธุลีในดวงตาน้อยพระองตรัสรู้แล้วยังไม่อยากแสดงธรรมเลยซ้ำพราะว่าโอ้สัตว์โลกี่จะเข้าใจธรรมานิยามยากมาง แต่ก็เห็นใจสำหรับผู้มีทิพย์ในดวงตาน้อยจะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ฟังรรมดังนั้นก็เป็นธรรมดาที่คนน้อยอยู่แล้วที่จะรู้ธรรมะตรงนี้นั้นเราก็ให้ผู้ทวัจนะเขานั่นแหละก็คือดีที่สุดแล้วแล้วเราก็วางใจไปเราก็เพียนปิดรูรั่วช่องโหว่อะไรที่เขายังไม่ได้นะบางคนให้แผ่นไปแต่ไม่มีซีดีเครื่องเล่นไปเครื่องเล่นเสิร์ฟไป เอาไะไรไปให้มันพร้อมอะ่ะนะถ้าทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วแล้วเขายังไม่รับวันนี้ก็เหตุปัจจัยฝั่งเขาละน ะ, นะ มรรคผลนะ่ะไม่รู้ไม่มีหรอกสวนะ่วนในรูปสัญญารูปสัญญาถ้าเขาไม่รู้เกณฑ์ที่พระเจ้าบัญญัติไว้เขาก็ไม่รู้นโยมกินผลไม้ในประเทศหลายซักประเทศหนึ่งแนละกินโยมก็รู้รสมันแต่โยมไม่รู้จักชื่อมันนะโยมจะเรียกมันถูกไหมอย่างเนี้นก็ธรรมดานแต่ถ้าโยมรู้บัญญัติพระศาสดาว่าอ่านอย่างเนี้ยลายกุศลได้เรียกปตุมาชานเราก็เรียกถูก หลัทั้งหลายจึงเรียกคณิกะสมาธิอุปจาระก็เรียกไปตามปรุงแต่งเห็นไหมคนนี้ปรุงแต่งมาก่อนไอที่เหลือก็พูดตามการปรุงแต่งของคนนี้ไปยาวเลยแต่ก็ไม่ตรงกับพระเจ้าเห็นไหมละ่ะก็นั่งได้สมาธิเหมือนกันแต่เรียกอุปจารสมาธิแต่พระเจ้าเรียกทุติยชาติติยชานอย่างเนี้ยเรียกเป็นคนละชื่อมหคนละชื่อแล้วก็กําหนดคุณสมบัติกันไปคนละอย่างอย่างเนี้ยอ่าก็คืออาการของจิตจะรับรู้ได้เหมือนกัน แต่ว่าในส่วนของคำุูดบัญญัติก็แตกต่างกันไปแตกต่างนะมันก็งงอะมันก็เละไงมันถึงเละเทะมั่วไปหมดน ะ, อ, อ, ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นในบัญญัติในธรรมวินัยของศาสดาในในพุทธศาสนาจึงฟังพระุทธเจ้าเท่านั้นอย่างนีครับมาสการครับมาสกครับครับฮัหลฮัลโขอการ์พระอาจารย์ ช่วงช่วงวันเสาร์จะมีถ่ายทอดสดนาคัมวันเสาร์ใช่ไหมครับปกติเราก็จะถ่ายทอดสดแต่นี่ทั้งภาพแล้วก็เสียงครับอนี้อจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าว่าเราจะมีช่องหนึ่งที่ถ่ายทอดเฉพาะเสียงออกมาครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนก็จะอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดีครับอหรือว่าบางคนอาจจะฟังต้องการแค่ฟังเฉยไม่ต้องดูภาพไม่ทราบว่าพอจะเป็นไปได้ก็ น่าจะได้เนี่แต่ทำให้เป็นเดี๋ยวหาคนทำเป็นกันก็เป็นข้อเสนอได้ครับได้ๆียเนี่ยนะมันน่าจะเป็นไปได้นะซึ่งไงไฟเบอร์ออปติกมันน่าจะทำได้ทุกเรื่องนะใช่ก็น่าจะดีใครแบบว่าไม่ภาพมันกระตุกไม่ดีเน็ตช้าอะไรอย่างนี้ก็ปิดภาพไปฟังเสียงอย่างเดียว ยังคำถามเมื่อก่อนนี้นะในเรื่องวัดอริบุคลเนี่ยมันก็จะมีทั้งหลงผิดอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าไม่ศึกษาคำผร้เจ้าอย่างพระปฏิบัติก็จำนวนมากที่เอากายระเบิดจิตระเบิดมาวัดเป็นอริบุคลณคนละเรื่องเลยซึ่งพู้เจ้าไม่เคยปัญญัิหรือพวกอภิธรรมก็เรียนกันก็ใช้โสรดยานยาน16กเป็นเครื่องวัดอริบุคคนละเรื่องเลยพเจ้าไม่เคยปัญญาอีก แล้วนั่งสมาธิก็จะพยายามเป็นไปตามโสรถยานอย่างนี้เนี่ยเห็นนะ ม, นมันก็ลายแบบอะพวกลูกศิษย์ที่ฟังอาจารย์บอกนั่งแล้วต้องกายระเบิดก็พยายามนั่งแล้วให้กายมันระเบิดไอ้บางพวกก็ทำได้บางพวกก็ทำไม่ได้ตหนะ็นมอ่าเสมัยก็เคเจออยู่รูปหนึ่งเขาก็นั่งแล้วกายระเบิดได้เหมือนอาจารย์คนนั้น แต่อาจารย์บอกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมีอะไรตรวจสอบมันระเบิดแบบไหนนะ่ถึงจะใช่ถึงจะไม่ใช่ก็แล้วมันล่างเถียงกันและนะสองคนเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่นั่นแ่ะมันถึงจะเป๊ะรับอ่ พระอาจารย์ทางนี้ค่ะพอดีว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเขาแนะนำให้ไปนั่งสมาธิที่หนึ่งจะมีเป็นตึกแถวธรรมดาแต่ว่าที่นั่นจะมีพระปรมสารีริกธาตุที่เป็นเหมือนจักสุเป็นรูปดวงตาทีนี้เวลาไปนั่งเนี่ยก็จะมีพระปรมสารีริกธาตุล่วงลงมาซึ่งดิฉันก็ลองไปดูมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เชื่อ ก็เลยนั่งลืมตาดูว่ามันร่วง ม, มาจากไหนหรือว่ามีใครใช้เครื่องอะไรดีดมาไหมเพราะว่าลองดูแล้วมันจะเป็นเม็ดกลมๆ ม, มีทั้งสีขาวสีแดงซึ่งมันกระเด็นมาจริงแต่ว่ามไม่รู้มาจากไหนคะ่ะก็คนคน่อนข้างศรัทธาเยอะแล้วก็มีเหมือนนายพลแบบมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งแล้วก็มีพระสงฆ์ยงหนึ่งแล้วก็ยังมีเหมือนนายพลคนหนึ่งที่คอยแบบเรียแรงเงินว่าออจะสร้าง โบดหรืออะไรสักอย่าง่ะคะแต่ตอนนี้เหมือนเรียกรายเงินได้แล้วแล้วก็ไปสร้างที่ใหม่แล้วเพื่อนก็ค่อนข้างจะศรัทธาตรงนี้มากแล้วก็ไปนั่งแล้วก็เอาสาลิริกรธาตุเนี่ยไปบูชาอาจารย์คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้คะไม่ใชอะไรก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ปัญญัติจะไปคิดเห็นอะไรน ะ, ะมนเมื่อพระพุทธเจ้าไม่วางความเห็นไว้เราก็ไม่มีความเห็นอะไรก็ ไรสาระไม่มีอะไรสิ่งที่พระเจ้าไม่พูดเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายกลายกาหนัดไม่เหลือดับไม่เหลือเพื่อนิพพานก็คือสิ่งไม่เป็นประโยชน์นั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระต่อการข้ามผลเพราะถ้าสิ่งที่เป็นสาระและมีประโยชน์พระเจ้าจะพูดออกมาพระองค์ไม่หลงลืมแน่นอน ถ้ามันดีจริงมันมีประโยชน์จริงผู้เจ้าจะต้องบัญญัติแต่ผู้เจ้าไม่มีบัญญัตินีใครจะมาตอบได้ว่าอะไรสีสันบรรณะอะไรไหนผู้เจ้าบัญญัติตรงไหนอ่ะก็ปรุงแต่งกันทั้งนั้นนะมันก็เกิดจากคาแต่งใหม่ทั้งนั้นใช่ไหมไอ้เรื่องพวกนี้มันโอ้เป็นมาจะยี่สิบปีแล้วอยู่ไอ้พวกอยู่ใหม่ๆเพิ่งเข้ามาในวงการมันก็ตื่นเต้นกันไป เกือบยี่สิบปีที่แล้วนี่ก็มีวัดสายปฏิบัติเขาทำอย่างนี้มาแล้วโปรยลงมาจากหลังคาโบสถ์คนไปเยอะแยะนักข่าวไปเต็มน ะ, อะเอาไปตรวจเอาเม็ดซิลิก้าอย่างนีน้เดี๋ยวนี้ก็มาจากไอ้ทีน้ำมนตผมน้ำมนต์พระธาตุปิวมาตามพระธามันจะมาปิวกับเอกสานวิชาลนะมันมั่ว ก, กันไปหมดนะโยนะ เราไม่ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเลยว่าไร้สาละเนาะไม่รู้จะพูดไงกับเรื่องพวกนี้เนี่ยปล่อยเป็นความไม่รู้ไปอ่า ออืก็เลยมาปวยบอกว่าเป็นเม็ดฝนแล้วก็รุมมาแล้วก็มาเป็นเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือศรัทธามากคือคือเขานะฮะก็เลยทำน้ำมนต์แล้วรุมก็เป็นฝังเขี่ยงเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ืึงน้ำมนต์ตะแก้วนะเพื่อเป็นการอะไรแต่โยมแ่ะที่มาทางนี้หมดเลยถ้าไมาได้ก็อยากจะดึมแต่ว่าขัดไม่ได้ก็ต้องดืงลงไปเอกใจที่พุ่งมาตรงนั้นอะเข้าใจมาทางชาติฉันเข้าดพระพุทธองค์ ทำไมจะขัดไม่ได้โยมีคนมาให้ตมาดื่มน้ามนต์ต ม, มาอย่งไม่ดื่มเลยมีคนเอาลูกกอกมาให้ตมาโยนลงบ่อไปเลยให้มันไปไว่ายน้ำอยู่ในบ่อนัออ่นจะไปสนใจอะไรโยมไม่ต้องแรบอะไรนะให้มันกระไลไปเลยเราต้องยืนข้างพระเจ้าสิโยใช่ใช เรียบร้อ ย, ย น, นั่นแหละถ้าเขาศรัทธาเรามากเราก็ต้องเอาศรัทธาที่เ็ามีต่อเราปรับทัศนคติของเขาต้องพลิกกลับ อ, อันนีเ้เมื่อหลายปีก่อนมีอยู่คนหนึ่งนะเป็นค า, ารวสเข้ามาเขาบอกเขาเนี่ยส่งพระพุทธเจ้านี่ เขาก็มาคุยธรรมะกันเราโอ้โหเสร็จแล้วก็บอกเนี่ยจา์นี่น้ำมนต์จาร์ดื่มไปเลยเนี่ยเดี๋ยวได้สมาธิอย่างงดอย่างนี้มันไปละหญ่แล้วเนี่ยคนนี้ก็เฉยเฉยไม่ไปตามตามครับปล่อยก็พูดไปใช่ไหมก็ที่ค้าเนี่ยอาจาร์ที่มาจากเชียงใหม่คือก็ยังไม่ได้ศึกษาสุันะแต่พอดีวันนั้นก็เลยสมุดที่มัก่ อ่าฮะอ่าฮอาอืมอืมอืมแต่ไม่ไปก็ดีแล้วไม่ไม่เป็นไรอ่า โอกาสครับ uh huh. พอดีอาศัยอยู่ประเทศตุรกีมาสิบปีอ uh huh. ก็เลยกลับมานี่มาเป็นครั้งแรกนะครับอ uh huh. ทีนี้พอกลับมาแล้วทางนู้นเข้าได้ตั้งชมรมคนไทยในตุรกีอ uh huh. แล้วก็เลยได้ตั้งชมรมพุทธศาสนาขึ้น uh huh. ก็เลยมีพี่อเขาแต่งตั้ง ผู้ที่จะให้บรรยายทมนะแต่ว่าพี่เขาไม่มีข้อมูลแต่ได้ปฏิบัติในพุทธวจนะก็เลยถูกไหว้าวานมาเพื่อที่จะขอหนังสือ huh. แล้วก็ซีดีเพื่อที่จะไปเผยแผ่ครับได้ได้ไ ด, ไดเอาเลยเดี๋ยวให้ไปแบกไปได้แค่ไหนเดี๋ยวจัดให้ <laughs> ขออีกข้อหนึ่งครับผมสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยครับอ่าเกิดมาได้อย่างไรครับเกิดมาได้อย่างไรนะพระเจ้าก็หาเบื้องต้นเบื้องปลายของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะสังสารวัตรเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องไปสาวหาด้วย เพราะคนที่สาวหาก็ตายไปหลายคนแล้วก็ยังสาวหาไม่ได้นะและถึงยอมจะรู้การแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่นะการแก่เจ็บตายก็ยังไม่ได้หมดไปและตัวเราเองก็ยังแก่เจ็บตายนะถึงจะรู้แล้วก็ยังพ้นแก่เจ็บตายไม่ได้อย่างนี้คุเจ้าก็จะเน้นให้มารู้ในเรื่องของการออกจากสังสารวัตนี้ ังนั้น <c oughs> ถ้าคนถามา ว, านนว่าจักรวาลเนี่ยนะโลกธาตุมันเกิดมายังไงนะเริ่มต้นมันเป็นยังไงสุดท้ายมันเป็นยังไงนะอุจ้าก็จะตอบในลักษณะของบอกว่าธรรมชาติธรรมาธรรมาตุนั้นเนี่ยย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นระบบนี้มันเป็นอย่างนี้ออกจากระบบเนี้ยได้แต่ไปสาวหาต้นหาปลายของระบบเนี้ยหาไม่ได้เลยที่สุดในเบื้องต้นและเบื้องปลายของสั่งสารเนี่ยย่ไม่ปรากฏนะหาที่สุดไม่ได้นะแล้วถ้าไปมัวสาวหาที่สุดของระบบนี้ก็ก็จะตายเปล่านะั่นก็จะมีกรอบคำถามอันหนึ่งที่พระเจ้าจะ ไม่พยากรณ์แล้วก็จะบอกไว้ด้วยว่าคําถามอะไรที่ผู้เจ้าไม่พยากรณ์บางนะอหรือบางที <c oughs> ผู้เจ้าถามปริปาชกคนหนึ่งแล้วก็ไล่เรียงไปถึงนิพพานนะบอกอ่านเนี้ยนะอันเนี้ยเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อยานทัศนะยานทัศนะเป็นไปเพื่ออมิมุตินิพพานเขาก็ถามต่อเลืนิพพานเป็นไปเพื่ออะไระ พูทธเจ้าก็บอกอท่านถามเลยเลิดปัญหาไปเสร็จแล้วไม่สามารถจับชวยเอาที่สุดของปัญหาได้มันจะไม่มีที่สุดของการถามนะจะต้องจบแค่นี้อย่างนี้ก็จะมีเลยเล่าให้ฟังนะ อ, อ, อีกข้อหนึ่งครับสงสัยในเรื่องของปฐมฌานนะครับาาคือปฐมฌานที่บอกว่ามี วิตกวิจารมีติสุขเอกขาตานะครับ uh huh. แล้วก็ถ้าเกิดว่าในสมัยนั้นจิตเราไม่มีไปในทางอกุศลพยาบาทเบียดเบียน uh huh. อย่างถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิแล้วเอาจิตมาอยู่กับกายสักผมทำแล้วก็นิ่งได้แค่มากที่สุดก็คือห้าครั้งในลมหายใจเข้าออกอนั่นจะถือได้ว่าเข้าถึงปตมะชานได้หรือยังครับปตบมะชานก็ต้องมีวิตกวิจารมีปิติมีสุข ละนิวรณห้าได้หรืออกุศลได้เราก็สำรวจในจิตของเราว่าเรารับตรงนั้นได้ไหมก็ก็มีอยู่ครับมีปิติเพราะผมนั่งมากที่สุดก็ประมาณได้สองชั่วโมงต่อวันก็ได้ถ้ามีอาการอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติเอาไว้ก็แสดงว่าให้เราพยากรได้เลยขณะนี้เราได้ปฐมฌานล้วก็ตามเห็นการเกิดดับต่อไป ก็จะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้เห็นเกิดดับซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆอล้ วัดป่าเรามีมะอำเภออะไรนะรู้สึกท่านท่านให้ชื่ออาจารย์จักกะพัน์หรือไงเนี่ยวัดเดี๋ยวไว้เอาที่อยู่ให้ทีท่านท่านส่ง <c oughs> ที่อยู่มาขอหนังสือขอซีดีท่านก็ จ่ายจ่ายจ่าย่อันนี้ยขาโสคบมีมีที่อยู่อยู่บนโต๊ะห้องงานทา อ, อ่ะเน่อยไว้ลองไปดูไหมนะท่านกันเนี่ยท่านก็ได้ชมจาก ทาง YouTube, บางบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความเริ่มสายศรทัทธาก็อยากจะช่วยประกาศพุทธวัชนาด้วยอย่างเงี้ยอ่ใช่ใช่ี <c oughs> อ, อ, อ่าฮอ๋อไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยรวบรวมเอาไว้เพราะแต่ก่อนก็มีเยอะแต่ก็ไม่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้เดี๋ยวต่อไปจะพยายามรวบรวมเอาไว้ก็จะมีตั้งแต่พรรษาน้อยๆถึงพรรษามากเลยหกสิเจ็ดสิบพรรษาอายุแปดสิบกว่าแล้วก็มีเขียนมาแบบว่า ชื่นชมยินดีแล้วก็ขอหนังสือเพื่อจะไปศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่ใช่ถ้าเรามีโอกาสผ่านไปได้ไปให้ไปนั่นแหละก็จะเกิดประโยชน์อยงพระสองลูปเมื่อเช้าก็ ที่โคา้ารู้สึกว่ามากระยมที่มาจากต่างประเทศ ก, ก็อยากมาดูนะแล้วก็มาดูท่านก็ก็เห็นด้วยนะท่านก็บอกเดี๋ยวมีจังหวะถ้าประชุมพระสักสี่ห้าร้อยลูกอะไรเนี้ยก็จะนิ ม, มนต์ไปบรรยายให้ความเห็นกับพระอย่างเงี้ยก็ดีเราก็เนี่ยขยายผลในแนวราบเนี้ยไปเรื่อยๆนะ <laughs> นี่เจ๊นะพระอธิการจักรพันธ์นะเจรณะธรรมโมจลันธรรมโอวัดป่าเหลา่าบ้านป่าเหลา่าตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายนะฉันขอหนังสือมา คงอยากได้ชุดสิบเลร้มกับซีตนะีเดี๋ยวเอาอันนี้ไปจดก็ได้นะนะ <c oughs> ใ ห, ให้ให้ยมให้ยมก็จดก็ได้เขาติดต่อมาทางโยมแม่อรตมมาก็ไม่รู้อ่านะ มีเทนะอดีนะมีทุกภาพไปตอนนี้จดหมายเข้ามาก็จัดส่งให้ตลอด อ๋อดีอ่า บายโมงแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ไปพักกันแล้วก็อนุโมทนากับพวกเราทุกค น, นที่ได้มาสังสมสุตตะในคาของตถาคตก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในคาของตถาคตให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในานาคตการอัในใกล้โดยตัวการทุกดา น, นทุกคนเตือน